มาที่นี่ก็เหมือนเหมือนไปอินเดียฮะไปอนเดียล้นกะลับมาคือการอุบายของพระพุทธเจ้าที่จะให้เป็นการจุด ป, ประกายศรยัทธาความเชื่อในพระพุทธในพระธรรมพระสงฆ์เพอได้ทรงพิจารณาว่าการไปจากดุจนิสถานทั้งสี ที่ประเสริฐที่ระเสริฐัสรุปที่แสดงพระธรรมเทศนาและที่ส ร, รุปผ่านจะทําให้เกิดมีความรู้สึกใกล้ชิดกับพระพุธพระธรรมและพระสงฆ์ตทำนี้เกิดมีความเชื่อที่มั่นงคงยิ่งขึ้นว่าพระพิทธพธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดจากการจินตนาการ เิ่งแต่งของผู้นึ่งผู้ใดแต่เป็นสักขีปยานถึงความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าของการตัดส้อของพระพุทธเจ้าของการแสดงวัฒนธรรมเทศนาและการจากไปของพระพุทธเจ้าถ้าไปแล้วคนที่มันค่อยมีศรัทธาก็จะเกิดมีความมีศรัทธาขึ้นมา ทำให้กําจัดวิวรณ์ความลังเลสงสารใจได้ทําให้มีอิทธิบาทซีเกิดขึ้นเพื่อฉันทะความมุด่ดีที่จะศึกษาปฏิบัติวิริยะความอุสาหะเพาียงที่จะศึกษาปฏิบัติจิตตามีจิตใจที่มีจดจอ่อต่อการศึกษาและการปฏิบัติ ที่มังสาคือการคาควลด้วยเห็นด้วยผลในทางการศึกษาและทางปฏิบัติเพราะทำคำสอนของพรพุทธเจ้าซึ่งจะทำให้จิตได้พัฒนาได้ย่างก้าวไปข้างหน้าได้เจริญได้ไปถึงจุดหมายปลายทาง ที่พระบรมศาสดาได้ส่งดำเนินไปถึงและสาวกพระอาหารหันต์สาวกทั้งหลายได้ดำเนินไปถึงและผู้ที่ยังไปไม่ถึงจะได้ไปถึงเพราะเป็นจุดประสงค์อันเดียวเนั้นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตลอดเวลาทั้งหมดที่ทรงมีอยู่ หลังจากที่ได้ทรงตัตะรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วใน้กรณีของพระพุทธเจ้าของเราก็45ปีด้วยกันทรงมุ่ง ม, มั่นไปที่การ ส, สอนสัตโลกให้ได้มีปัญญาที่จะนำพาใจให้ได้ไปสิ่จุด นั้นคือการหุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหมดหยุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายถ้าตามได้ยังมีการเกิดอยู่แบบนั้นก็ยังจะมีการแก่มีการเจ็บมีการตายมีการพลัพรากจากสิ่งที่รักมีการเผชิญกับสิ่งที่ ไม่ปรารถนาไม่ว่าจะอยู่ในภพไหนชาติไหนจะดีจะละเอียดขนาดไหนก็ออยังต้องมีการเสื่อมมีการสิ้นสุดเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่มีวาสนาเป่นเกิดเป็นพระมหาคัจจะเป็นปรฒนานทุกเดีเป็นมหาเศรษฐี เป็นผู้ที่ร่ำรวยหรือรูปหน้าหน้าตาที่สวยงามก็ยังต้องหมดไปหมดสิ่นไปเพราะการเป็นเวลาย่อมเกินสัรพสัตว์ทั้งหลายสรรสิรสทั้งหลายไปหมดเอกจาเสิ่งทุกอย่างในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดนี้อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์เืออนิจังทุกขังอนัตตา มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหลบไปจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่จะไปเกิดอีกถึงแม้จะเกิดดีขนาไหนก็ตามมันก็เป็นเพียงชั่ ว, วคราวเท่านั้นมันไม่ถาวรไม่มีอะไรที่น่ายินดียิ่งกว่าพระนิพพาน ท, นที่เป็นนไปด้วยความสุข เรียกว่าปรามังสุด ข, ขังเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความเสือ่อมทั้งหเกี่ยวข้องคือไม่มีการรักไม่มีอนิจจังทุกขังเข้าไปเกี่ยวข้องกับพนิพพานพนิพพานนี้เป็นสภาพที่อยู่นอกเหนือวงจร น, งนอกเนือวงจรด้ว่อิทธิพลของของใจลัก เป็นอยู่อีกป้าหนึ่งของของขอ ง, ของการเวียนว่ายตายเกิดของสังสารวัฏนี่คือจุดที่พระพุทธเจ้าได้ดำเนินไปถึงและทรงเห็นว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดที่ปลอดภัยที่สุดเป็นจุดที่เรียกว่าปราศจากความทุกข์ เหมือนสมัยนี้เราไปตามสถานที่บางแห่งเขาจะมีป้ายเขียนไว้ว่าเขตปลอดวยที่ตรงนี้ไม่มีการสูบบรินนน่แต่ายพรนิทานก็คือเขตปลอดความทุกข์เราถึงตรงนั้นแล้วจะไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องมาเหยียบย่งจิตใจได้จิตใจจะมีแต่ความฝึกไปตลอด เพราะไม่ได้ไปสัมผัสกับสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการดับมีการสูญสิ้นหมดไปเช่นเช่นการมาเกิดเราก็ได้มาสัมผัสกับขันธ์ทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารมีนาที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายและใจของเรา เมื่อมามาเกี่ยวข้องกับขางห้าแล้วก็จะต้องเกี่ยวข้องกับการเปื่นไปลงร่างกายก็มีการเจริญเมื่อเจริญเต็มที่แล้วก็มีการเสือ่อมตามลำดับจนในที่สุดก็ปตกยับไปกลับคืนสู่ ธาตสี่ดินน้ําลงไปส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีการเกิดดับเกิดดับอยู่เรื่อยตลอดเวลาในวันวันห น, นึ่งนี้เราจะสัมผัสกับการเกิดดับของนามขังอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรและเราก็ไม่เคยสังเกตดูกันเช่นก่านรู้สึกสุข ทุกไม่สุขไม่ทุกก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่มาเรื่อยๆเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ไม่สุขเดี๋ยวก็ไม่ทุกความคิดของเราความันได้ไว้หรูอว่คือสัญญาการรับรู้รู้เสียงกล็่นรสสัะที่เนีสัมผัสกับตาหูจมูกร่างกายก็มีการเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลา เสียงในขณะที่กำลังเริ่มมีอยู่ในขณะนี้ก็มีการเกิดขึ้นแล้วก็ดยบไปแล้วก็เกิดขึ้นใหม่มันไม่ได้เป็นเสียงที่ทาวมันเกิดดับเกิดดับเหมือนกับแสงหินห้อยแล้วความคิดที่เราพิจารณาตามก็เกิดดับเกิดดับไปเช่นเดียวกันแล้วความรู้สึกสุดทุกข์ไม่สุดไม่ทุกข์ก็เกิดดับเกิดดับ ตามไปเรื guru, ่อยกันเป็นชุดๆแล้วก็หายไปแล้วก็เกิดขึ้นมาจิตที่ไม่ได้รับการอบรมก็จะมีความหลงคอยหลอกคอยล่อให้เกิดความยินดีบ้างเกิดความไม่ยินดีบ้างเกิดความรักเกิดความชอบเกิดความเปลี่ยน ยิ่งทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นเี่นความทุกข์ น, ก น, น, กนี้ต่างกับทุกข์เวทนาทุกข์เวทนานี้เป็นเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลขงของขันเช่นรูประขันเวลาไปสัมผัสกับอากาศที่ร้อนเกินไปก็เกิดความรู้สึกไม่สบายก็เป็นความทุกข์แบบนี้เจอความสัมผัสกับ อากาศที่เย็นมากเกินไปก็ก่อความรู้สึกไม่สบายขึ้นมาคือเป็นความทุกข์แต่ความทุกข์นี้มันมันมาแล้วมันก็ไปจะมีความทุกข์อีกอย่างที่ตามมาด้วยในใจอีกชั้นหนึง่งที่เกิดจากความไม่ยินดีเกิดความรังเกียวเวลาหนาวเกินไปก็ เกิดความาเมื่อยก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งร้อนเกินไปแล้วเกิดความาเมื่อยเกิดความไม่พอใจก็ะจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งภายในใจความทุกข์ชั้นนี้เป็นความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายกาจัดได้คือสามารถควบคุมไม่ให้ใจนั้นไปเกิดความไม่พอใจกับ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มากระทบกับร่างกายเช่นอากาศจะหนาวขนาดไหนก็รับรู้ตามความเป็นจริงว่ามันหนาวถ้าพอที่จะหาอะไรมาหมมาทําให้มันดีขึ้นเบาขึ้นอะไรอื่นขึ้นได้ก็ทําไปถ้าทํำ ไ, ได้ก็ต้องยอมรับอยู่กับสภาพนะั้น โดยที่ใจจะไม่มีความกี่ยลความไม่พอใจกับสภาพของความเหงานี่เป็นสิ่งที่ปุตตะและผ่านถายท่านทาได้และเป็นสิ่งที่ท่านนำมาสั่งสอนพวกเราก็คือให้เรามาบำบัดมากำจัดความทุกข์ตัวนี้ท่านันไม่ได้ให้เราไปากำจัดบำบัดความทุกข์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแจงของ สภาพแวดล้อมต่างๆเช่นเกิดอากาศร้อนมากๆเราก็ผลิตเครื่องตับอากาศขึ้นมาเพื่อที่จะมาปรับให้อากาศนั้นมันเข้ากับระดับที่เราต้องการถ้าให้เราปรับระดับของใจของเราให้เข้ากับระดับของความเป็นจุ่งของธรรมชาติเราไม่ต้องไปเสียเวลาเหนื่อยยากกับการปรับธรรมชาติให้เป็นไปตาม ความต้องการของเราและราปรับใจของเรานะั้นให้รับกับความเปลนไปของธรรมชาติของความจริงที่เกิดขึ้นที่มาสัมผัสกับใจของเรานี่ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องอากาศร้อนเรื่องอากาศหนาะแต่นี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเสียงต่างๆที่มากระทบกับใจของเราซึ่งมีมากกว่านั้นอีกหลายมีอาชนิดด้วยกัน เส้นเสียงอย่างนี้ก็เป็นต้เมื่อกี้เราอยู่ในควาสมสงบแล้วตอนนี้ก็มีเสียงดังรบกวนเราก็รับรู้ไว้ว่าเป็นเสียงดังแต่ใจเราอย่าไปรังเกียจเราอย่าไปเกิดความโกรธขึ้นมามันก็ไม่จะสร้างความทุกข์อะไรให้กับเราแต่ถ้าเราไม่เราไม่รู้จักควบคุมใจ แล้วปล่อยให้เสิยงที่มาสัมผัสกับเรานี้มากระตุ้นให้เกิดความไม่พอใจหรือความเกลีดหรือความอยากได้มันก็จะทําให้จใจของเรานั้นมีความทุกข์ขึ้นมานี่คือความทุกข์ที่มันต่างจากความทุกข์ในขันทุกข์ในขันนี่มันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของของ ของสภาวธรรมต่างๆที่มาสัมผัสจิตใจของเราซึ่งใจของเรายังไม่รู้ทันยังไม่ยอมรับความจริงของการเปลี่ยนแปลงที่เราเคยมีอะไรและเราต้องสูญเสียสิ่งที่เรามีไปนี่ก็เป็นการเปลี่ยแปลงอย่างหนึ่งถ้าเราไม่รู้ทันพอเกิดการสูญเสียไป ใจของเราก็จะเกิดความวุ่นวายขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราได้ศึกษาได้เตรียมได้สั่งสอนใจของเราไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมีการมามีการไปของสภาวธรรมทั้งหลายของสิ่งต่างๆทั้งหลาย ถ้าเราสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้วเราฝึกซ้อมเหมือนกับนายทวารรักษาประตูของทุบบอลก็จะรู้ว่าบอลนี้มันมาได้ท่านหลากหลายทางด้วยกันมาทางซ้ายก็ได้มาทางขวาก็ได้มาทางตรงก็ได้มาทางต่ําก็ได้มาทางสูงก็ได้นายทวารก็ได้รู้จักรับลูกบอลที่จะเข้ามาถ้าถ้านายทวารฉลาด ได้รับ ก, การฝึกษาอมมาอย่างดีก็จะสามารถนับรู้มวนได้ทุกทุกรูปแบบันใดสภาพของการเรปลี่ยนแปลงหรือการหมดไปของสิ่งต่างๆก็เป็นเช่นนั้นมันมาได้ทุกรูปแบบด้วยกันมาทางตาหูจนูดเอ็นกายใจยะใจคืออารมณ์ต่างๆ มาทางขันคือร่างกายรูปยึดนาสัญญาสัขงขารวิญญาณนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราศึกษาพยานเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโผฏฐัพพะเป็นธรร ม, มารมณ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงหูนเรื่อย มีทั้งที่ทำให้เราเกิดความยินดีและเกิดความไม่ยินดีเกิดความไม่พอใจแต่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะเป็นยินดีหรือไม่ไม่ไม่พอใจควรจะรับรู้เฉยๆตามความเป็นจริงของกรรมเพราะว่าถ้าเรารับรู้ได้จะไม่ไปยินดียินร้ายกับธรรม ใจของเราก็จะไม่ทุกไม่วุ่นวายกับสถานนั้นเองที่เป็นวิธีการดับทุกข์ดับด้วยการรู้ทันสภาพของสิ่งต่างๆที่ปรากฏที่มาสําคัญกับใจอยากไปหลงยินดีเวลาเป็นสิ่งที่ถูกอกถูกใจ อย่าไปลำเปลี่ยนเวลาเป็นสิ่งที่ไม่ชอบหรือชอบใจต้องยอมรับความจริงว่าโลงนี้เป็นอย่างนี้มีทั้งสิ่งที่เรายินดีและไม่ยินดีพอใจและไม่พอใจแต่เราสามารถเปลี่ยนใจเราจากความยินดีไม่วินดีความพอใจไม่พอใจ ให้เป็นความรู้เฉยๆความรับรู้เฉยๆเราจะพูดว่าพอใจก็ได้คือพอพอใจกับทุกสภาพไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีง่ายยินดีหรือไม่ง่ายยินดีก็ก็รับได้กับทุกสภาพถ้ารับได้ก็ถือว่าใจของเรานี้มีปัญญามีธรรมะ ที่จะรักษาใจให้อยู่อย่างไม่มีความทุกข์ยาแต่โดยธรรมชาติของใจทั่วไปนั้น ท, ที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมจะไม่ไม่เป็นอย่างนั้นจะเป็นหนอนกับสันทาสินสันทาตัวยาพอสัมผัสกับสิ่งที่ที่ถูกอกถูกใจก็จะเกิดความยินดี เกิดความโลภความต้องการขึ้นมาเวลาสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ถูกอกถูกใจก็จะเกิดความรังเกียจเกิดความไม่พอเกิดความโกขึ้นมาเราจึงต้องมาผสมใจของเราให้อยู่เป็นกลางอย่ม่ยินดีไม่ยินร้ายด้วยการ เกิดทำจิตใจให้สงบเวลาจิตสงบแล้วจิตก็จะเป็นกลางจิตจะเป็นอุเบกขาคือจาไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับปล่อยวา ง, างทุกข์ทุกอย่างชั่วคราวแต่สภาพนั้นจะอยู่ได้ไม่นานเวลานั่งสมาธิแนละ้วจิตเราสงบก็จะสงบได้ระยะหนึง่งหลังจากนั้นแล้วจิตก็ต้องถอนับกไป เราก็ต้องออกไปทำภารกิจ ต, ต่างๆก็ต้องไปสัมผัสรับรู้กับสิ่งต่างๆ ต, ตอนนั้นแหละเป็นตอนที่เราต้องใช้ปัญญาใช้ใจละสอนใจเราค อ, อยเตือนเราว่าอย่ากไปดีกับสิ่งต่างๆแล้อย่าไปรังเกี่ยจกับสิ่งต่างๆเพราะว่าเราไปควบคุม บ, คบังคับทําไม่ได้ ถห้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้ถ้าเรามีความต้องการมากเราก็จะเหนื่อยมากเพราะจะมีสิ่งที่จะทำให้เราต้องมาแก้ไขยอยู่มากถ้าเรามีความต้องการน้อยคือเราเป็นสันโดษคือยินดีตามมีตามเกิดพอใจกับสิ่งที่มีที่เป็นที่ปรากฏขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้นใจเราก็แทบไม่ต้องทำอะไรให้เหนื่อยยากเลย เย็นย้อนก็ร้อนไปหนาวก็เหนาวไปไม่ต้องวิ่งไปหาเครื่องปรับอากาศมาติดตั้งไม่ต้องไปหาที่ทําน้ำอุ่นมาใช้อาบอย่างนี้เป็นต้นถ้าใจทั้ใจให้รับ ก, กันให้พอใจกับทุกสภาพได้แล้วก็จะสบายตัวแต่ลองกลับมองไม่เห็นความสมัยในจุดนี้เพราะถืออำนาจของ ความหลงเนครอบงานจึกใจให้เราต้องไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อให้ถูกใจของเราแล้วกลายเป็นความวุ่นวายกลายเป็นความทุกข์ไปกลายเป็นใจที่มีความอ่อนแอนไปเพราะจะต้องคอยพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาเป็นเหมือนกับคนที่ไม่พิการแต่ต้องไปอาศัย ของที่คนพิการเขาใช้กันเช่นรถเข็นอย่างนี้เป็นต้นสมัยนี้คนเราเป็นคนพิการกันเยอะทางเดินนี่เดินกันไม่ค่อยไม่ค่อยเดินกันระยะทางลงพื้นใกล้ๆก็ไมายอมเดินกันขอขึ้นรถกันหรืออย่างนี้มีโทรศัพท์มือถือรงพื้นจะคุยกันแค่เดินไปสองก้าวก็ไม่เดินใช้โทรศัพท์กดคุยกัน นี่แหละเป็นธรรมชาติของกินก่นมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เลยต้องมาพุ่นวายกับการหาซื้อเรื่องโท ร, รศัพท์มาแล้วก็ต้องมาคอยดูแลรักษาคอยชาร์จแบตอยู่ตลอดเวลาและเวลาถ้าวันไหนเกิดโทรติดต่อกันไม่ได้อออก็หมดอิจฉาคานใจเพราะว่าเราไม่เคยอยู่แบบ สำดุนั่นเองจะยินดีพอใจกับสภาพที่เป็นอยู่ที่มีอยู่เราพยายามที่จะตอบทุกเก่งทุกอย่างให้เป็นการตามความต้องการของเราแล้วในที่สุดมันก็มาวนทับศีษะเราเป็นความทุกข์ที่กดดันยีบคั้นหัวใจของเราพอเวลาที่เรา ต้องอยู่กับเส้นกับกับในสภาพที่เราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แล้วก็ทนไม่ได้เพราะเราไม่เคยรู้จักวิธีอดทนนั่นเองไม่รู้จักทําใจของเราให้อดทนให้อยู่นิ่งเฉยให้รับรู้กับสภาพทุนต่างๆให้รับกับสภาพทุนต่างๆทั้งหลายได้ บางคนก็ต้องไปทําอะไรที่ไม่ไม่ดีเสียหายแต่ความเสียหายตามมาที่เกิดการทําผิดศีลผิดธรรมเพราะใจนี้มันมันไม่สัมผัมันไม่ยินดีตามไม่ตามเสร็จมันมีความโลภมีความอยากความต้องการจะมีการไปทําการทำทำการที่ไม่ไม่ดีทัง้งหลาย ไปเตะค่าผู้อื่นไปรักษัพไปประพฤติิตัวเองไปโกหกหลอกลวงไปเสิดชราญาลาเกิดอบายมนุษย์ต่างๆนีู่้วนออกมาจากใจที่ไม่รู้จักปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแต่พยายามจะปรับให้สภาพนั้นให้เข้ากับใจกับความต้องการของตนอยู่บ้านเฉยๆความจริงก็ เป็นสภาพที่ดีที่สุดเลยนะบ้านนี้ไม่มีที่ไหนไม่มีที่ไหนจะดีเท่าบ้านเราปลอดภัยมีทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์แต่อยู่บ้านกันแค่ได้ต้องออกไปข้างอกกันไปเสียงภัยกับอะไรต่างๆบนท้องถนนกับคนริษยาที่กับเหตุการณ์ที่ที่ไม่ดีทัางหลายเพราะว่า ใจถูกอำนาจของความอยากครอบงำอยู่นั่นเองเพราะไม่เคยเดไม่เคยกําจัดความอยากต่างๆเหล่านี้พอให้ความอยากนี้เป็นตัววงการเป็นตัวจัดการชีวิตของเราจนเราการทิ้งธาตของความอยากไปโดยไม่รู้สึกตัวนี่เป็นเสียงที่พระพุทธเจ้าทรงทุจริต ครั้นที่ยังไม่ได้ตัดสรู้ขเ้ที่ยงเป็นพระราชโอรสอยู่ในอยู่ในวังอยู่ท่กากลางความสุขของทางด้วยแต่ทรงเห็นทรงสังเกตเห็นทะถทานของพระองค์ว่ามันไม่มีความสุขเลยมันต้องยุ่งกับเรื่องราวต่างๆอยู่ตลอดเวลาตามความโรกาของความอยาก เดี๋ยวก็อยากจะเกินสิ่งนั้นกินสิ่งนี้เดี๋ยวก็อยากจะเลี้ยงสิ่งนั้นเสิ่งนี้อยากจะทําเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเป็นความวงการของความอยากทั้งนั้นคนเราที่ที่ออกไปทําอะไรกันส่วนอย่างนี้ก็ไปทําตามความอยากไม่ได้ทําตามความจําเป็นความจําเป็นก็มีอยู่บ้างเช่นเราต้องทำอาหารกินเพื่อมีปัจจัยสิ นี่เป็นความเร็มเป็นแต่ถ้านอกเหนือประย่างนั้นแล้วมัน็นเรื่องของความอยากทั่นเองทำไปก็มีทางสุขาะเฮฮาแล้วก็ผ่านไปแล้วก็หมดไปแล้วก็เกิดความอ้างว้างฝากเปลียเกิดความอยากที่จะต้องหาอะไรมาทำต่อเพื่อไม่ให้มันมีความรู้สึกอ้างว้างฝากเปีเ่ยก็จะเป็นวงจรอย่างนี้ไปเรื่อย เป็นอย่างนี้มานับไม่ถ้วนแนะอยู่ภพชาติต่งตางๆที่ผ่านมานี่เกิดมากี่ยวภพปีชาติไม่ว่าจะเป็นอยู่ในระดับไหนจะเป็นเทศเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานก็ทำแบบเดียวกันไปปล่ยการความคําตามคําสั่งของความอยากคือการละตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหาทั้งสามตัวนี้นี่แหละคือเจ้าหน้าที่ของสัตว์โลกต่าง แต่โลกนี้เป็นธาตุของของความอยากทห้สงสามแล้วก็ทุกไปกับความอยากอย่างนี้เวลายอยากแล้วก็เกิดความอยู่ไม่เป็นสุขขึ้นมาเวลายอยากจะเป็นอย่างนี้ให้อ ย, อยู่บ้านที่ใช่นี่โอ๊ยแถมจะทาร้านใจต้องออกไปไปให้มันหายอยากถึงจะกลับมาอยู่บ้านได้แต่กลับมาก็เคเพื่อมาพักเอาแรงเะไร อได้แรงได้กำลังแล้วก็อยากออกไปชีวิตของเราตั้งแต่เกิดงานมันก็อยู่ในวงจรนี้ยออกไปข้างนอกก็อยู่ในบ้านไม้ได้พอเหนื่อยแล้วก็กลับมาพักในบ้านพอหาเหนื่อยแล้วก็ อ, ว อ, วออกไปหน่อยก็ทําทอย่างนี้มาตั้งแต่เล็กจนโตจนแก่ก็ยังต้องทําอย่างนี้จนกว่าสังขารมันจะไปไม่ไหวจริงๆนะ ขณะนั่งัดเข็นออกไปก็ยังไปเนี่ยนะนี่แหละอำนาจของความอยากมันมันชัดเจนเห็นอย่างนี้นแต่ถ้าไม่พิจารณาก็ไม่เห็นนะคิดว่ามันเป็นธรรมชาติของเราเป็นธรรมดาของเราแต่ความจริงแล้วมันไม่เป็นธรรมดามันเป็นเรื่องผิดปกติเรื่องที่ธรรมดาที่แท้จริงต้องอยู่็นสุข อยู่เฉยๆแล้วต้องเป็นสุดนี่เนี่ยถือว่าเป็นธรรมดาคนที่เป็นถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นก็หยุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าอยู่เฉยๆแล้วมีความสุขก็ก็หม ด, ก, หมดก็หมดปัญหาปัญหาส่วนใหญ่ลงเกิดจากการที่อยู่ไม่เป็นสุดนี่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราก็ตามเรเรื่องของคนอื่นก็ตาม เรื่องของเรามันก็มากกนะ่อน้วแต่ยังอดไปที่จะไปยื่งกับเรื่องของคนอื่นเขาเขไม่ได้คนอื่นเขาเป็นอะไรก็ต้องไปวุ่นวายไปกับเขาอีกเนี่ยเราสร้างความวุ่นวายให้กับตัวเราเองทั้งนั้นสร้างความทุกข์ให้กับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวและจะไม่มีทางรู้สึกตัวเลยถ้าไม่ได้มาเจอพระศาสนาไม่ได้มาสัมผัสกับพระธรรมคำสอนกับพระพุทธเจ้า เนนจึงย้อนกลับมาที่ว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พุทธศาสนาชนนั้นเดินทางไปตามสถานปุจญาสถานต่างๆก็เพื่อทำให้เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อเพื่อจะได้มีฉันท์เิยะที่จะศึกษาและปฏิบัติการพระธรรมคำอสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นการสอยทูกโตป ต, ตาปลดใจของเราให้สว่างขึ้นมาให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร แค่รู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษเพื่อเราจะได้สร้างสิ่งที่เป็นคุณและกาจัดสิ่งที่เป็นโทษเพื่อเราจะได้อยู่อย่ามงมั่งมีเป็นสุขไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องมุนวายกับการเปลี่ยนแปลงของสิง่งต่างในโลกนี้คนที่มีวิตาสว่างมีดวงตาเห็นทันแล้วจะไม่มุ่งวันกับอะไรทั้งสิ้น อะไรจะมีก็มีไปอะไรจะสูงไปก็สูงไปแต่ใจนี้จะไม่ได้ไปดี อ, อกดีใจเจ็บ อ, อกเจ็ใจไปกับการมาและการไปของสิ่งต่างๆเพราะมีสัญญานนี้เพราะรู้ทันแล้วว่านี่คือความเป็นจริงทำอะไรไม่ได้ถ้าไปดีใจหรือเสียใจก็เหมือนกับเป็นการมาท ำ, ทำโทษตัวเอง คือสร้างความทุกข์ให้กับใจนั่นเองนะเราก็ไม่มีใครอยากจะทุกข์ด้วยกันเราก็จึตงต้องปล่อยวางต้องยันรับความเป็นจริงต้องอยู่กับความเป็นจริงนั้นให้ได้นี่คือตั้งหมายของการไปอินเดียไปตามคูชนีสถานนังจ่าแต่ถ้าไปแล้วก็ไม่ได้กลับมา ดำเนินอะไรที่ผิดแปบไปจากตอนที่ก่อนไปไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็เพียงแต่เ ป, เป็นการไปเที่ยวเหมือนกับไปเที่ยวตามสถานที่ ต, ต่างๆต่นนั้นเองแต่ถ้าไปแล้วกลับมาแล้วคลิกหน้ามือไปหลังมือจากคนที่เคยสำมาเลยเทมาวก็เลิกสำมาเลยเทมาจากคนที่เคยเที่ยวเคยเตก็เลอกเที่ยวเลอกเตะ จากของที่เคยไม่มีสีไม่มีธรรมก็กลับมามีสีมีธรรมถ้าไปแบบนี้ก็ถือว่าได้รับตื่นตรงกับความปรารถนาของพระพุทธเจ้าแต่สําหรับคนบางคนที่เขาไม่สามาลย์เทมาอยู่แล้วเขามีสีมีธรรมอยู่แล้วการจะไปที่อื่นอืยนหรือว่านั้นก็ไม่สําคัญอะไร ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้เพราะก็มันกลับมาก็ไม่ได้จระทำอะไรให้มันแตกต่างันเพราะว่าเขามีศีลมีธรรมเขามีสนญาตญวิริยะจิตวิญญาในการศึกษาและปฏิบัติธรรมอยู่แล้วดังนั้นครูบาอาจารย์ต่างๆให้พวกเราเองไม่ค่อยมีปรากฏว่าท่านได้ไปอินเดียกัน หลู่ต่างๆนอกจากหลวงปู่มั่มาแล้ทําไม่รู้ไปอย่างเดียวกนั้นท่านไม่ลงไปเพราะทนเห็นธรรมอยู่ในใจท่านแท่านเข้าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วท่านไม่ลองเลสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงเหมือนกับพวกเาพวกเรายังต้องไปเห็นสถานที่ถึงจะเชื่อว่าองค์พระพุทธเจ้ามาประประสงคจริงๆต้องไปนสถานที่สงแสดงพระธรรมเทศนา ถึงจะมีความเชื่อขึ้นมาแล้ไม่ <c oughs> ว่าจะไปหรือไม่าป ก, ก็ขอให้เราเข้าใจว่าเป้าหมายของการไปหรือไม่่าปนี้น ก, น ก, น ก, นก็เพื่อให้มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ถ้ามีมีทิฏฐิมีสัญญาอิริยาบถะี่มัมงสาที่จะศึกษาและปฏิบัติ การกระทำสอนของเจ้าปุถุจ้าเพื่อบรอความทุกต่งกางๆที่เกิดจากความโลกความโกรธความหลเกิดจากความอยากทั้งสคือตามตาตนาภวะตานาริภาวะตาานี้ให้นหยดขึ้นไปจจากใจี่คือเป้าหมายที่งของการไอินดีก็ดีนของการไปารากไหวครูาอาจารย์ตามการมที่ต่างๆก็ดี มีของกลางความเ ท, ที่ยงธรรมที่นี่ก็ดีก็มีอยู่ที่ตรงนี้กัน้นโดยการกำจัดความทุกข์ที่มีใจเราให้หมดที่ไปจึงขอให้เราให้ความสาคัญอยู่ตรงจุดนี้ขอให้เราดูที่ใจเราไปถ้าเกิดความรย้เมื่อเกิดความโกรธเม่อไ่ขอให้เรารู้ว่านี่แหละคือตะินของเรนที่หละคือสิ่งที่เราจะต้องกำจัด การสิ่ที่จะทำที่นําให้เราทำได้ก็คือการปฏิบัติทางสี่อภาวนาในเองมีเงินทองมากนอยเ่าไรอยากไสีได้ถ้าเรามีไม่มีความจำเป็นก็เอาไปทํางินทำทานเสียเสียนก็พปายามรักษาไว้ให้ดีให้บริสุทธิ์ภาวนาก็พยายามทำให้มากการเริยนสติอยู่เรื่อยๆตั้งแต่เตือนขึ้นมาจนถึงอยากไปเลย อย่าให้เผลอสติให้มีให้มีสติคอยเฝ้าดูกายวาจาใจของเาอยูเสนออย่าห่างไกลจากกายวาจาใจอย่าไปในอดีตอย่าไปในอนาคตอย่าไปที่กายที่กายให้อยู่ที่ตัณหาฐานที่นี้ก็พออยู่ทกายวาจาใจแล้วจะรู้ว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นรู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีกําลังเกิดขึ้นภายในใจ ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะได้ไ ด, ไ, ดได้ดับดับมันได้ได้กำจัดมันได้ถ้าไปมัวไปอยู่ที่อื่นเส้นกายอยู่ที่ใจอยู่ที่นี่แต่มัวไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ที่นั่นที่นี่แล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาใจขึ้นมาก็จะไม่รู้สึกเลยว่ากำลังไฟกำลังเผาเผาใจอยู่แต่ถ้ามีสติปักจะรู้เลยว่า อ, อ๋อเราไปคิดถึงคนนั้นแล้วเราเกิดความกังวลขึ้นมา เราต้องเรียกรงับดับความกังวลนั้นกันทีด้วยปัญญาก็ได้หรือด้วยสมาธิก็ได้สมาธิก็เลิกคิดถึงเรื่องของคนนั้นไปลไปลอยให้เขาไปตามเรื่องของเขาเขาอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้เราไปทุบตุ้มวายแต่เขาทำไมไม่เกิดประยอะไรถ้าคิดอย่างนี้มันก็จะ ด, ดับความทุกดับความกัเวลนด้แต่ถ้าไม่มีสติมันก็จะงัวแต่คิดถึงเขา ย, า, ย า, ง า, ยายิ่งคิดก็ยิ่งกังวลใหญ่ยิ่งห่วงใหญ่แต่ไม่รู้ว่าปัญหา คือความทุกข์ความกํันวลมันอยู่ตรงที่นี่แต่กังวลกับกังวลกับเท้ที inks, s, disease, ่อยู่ตรงนี้นดีไม่ดีก็ต้องสาดหลักสังขารร่างกายไปหาเทาถึงมันนั้นเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาที่ปัญหามันอยู่ที่ใจเราเราหยับตรงที่ใจเราท่านนั้นกำหนดนองอะไรจะเป็นอะไรกับเท้าก็ปล่อยให้เขาเป็นไปท่านนั้นเองเรื่องนั้นก็จบ แต่เราแก้ไม่ใจเราไม่แก้ที่ใจเราเราไปแก้ที่ข้างนอกเพราะเราไม่ดูใจมันไม่ดูการไม่ดูวาจาราเราไม่ดูจิตไม่าาเลย น, น, นี่คือความหมายของการภาวนาให้ดูที่ายวาจารจืดูวาจาใจเสร็จทุกข์ถ้าทุกก็รีบดับมันเสียไม่ได้มาดั บ, บที่กับคนนั้นกับคนนีน้กับเรื่องนั้นกับเรื่องนีน้แต่ดับที่ใจนี่แหละดับที่ความอยากต่าง ขอให้ท่านจงพยายามสร้างัทธาบุรุษญาปิตามิลังสาสร้างศัสนาด้วยการองเพศฟธรรธรรมจากผู้รู้ท่องหากรบาจารย์อยู่เรื่อยๆเพื่อการเจริญเมื่อเก้านาในทางทรรต่อไปการแสดงก็เห็นวาเป็นความยุติธี่มธรรม ครอบมี Higher, okay. ันาไม่ร <Maybe>. ือดีย <laughs> okay. hmm. uh, ่ระคะคือช่ที่ผ่านมา คือหลังจากไปไปปฏิบัติทัพก็นี่ยงไปได้อยู่พักหนึ่งทีนี้พอต่อมาเริ่มทํางานเยอะขึ้นก็เกิดภาวะที่ตัวเองเรียกว่าเป็นช่วงคนดีท้อแท้ก็ค่ะคือคือเหมือกับว่าเอ อ, เ, อ, อเราทําไมต้องทําทําส่วนที่คนอื่นเขาไม่ทำห น, นักหนัก <c oughs> เพราะว่าเขามวัวแต่เ อ, อฉลาดที่จะทําอะไรให้ตัวเองเอ่อ ก็เลยก็เลยเริ่มเริ่มไม่แน่ใจว่าเราควรจะทําหรือเปล่าคือความผิดความผิดมันอยู่ที่ความคิดถึงเราเราคิดไปในทางของกิเลสกิเลสมันย่อมคิดถึงประโยชน์ส่วนตนวเป็นหลักเมื่มาทําอะไรแล้วลต้องได้รับประโยชนแต่ความกิงแล้วประโยชน์ที่ได้รับนี้มันมันมีเทวดาตามมาด้วยเพราะประโยชน์ท้งโลกนี้มัน มันไม่ดีนั่นขาวร้ได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันก็เสื่อมไปหรือมันก็หมดความหวายไปเถอะจิตใจมันไม่ได้อิ่มเอิจากสิ่งที่เราได้มาแต่ใจมันจะอิ่มเอิจากสิ่งที่เราเสียไปแต่นี้เราไม่รู้ที่เราทำดูให้ทางเราก็เสียไปแต่ใจเราได้ความอิ่มเอาาิใจได้ความสุขใจขึ้นมาแต่เรามักจะไม่ค่อคิดทางธรรมะกัน เพราะว่าใจของเราเนี้ยถือคอหน้าจของตัวชอบอย่างนี้มันจะให้เราคิดถึงประโยชน์ที่เราจะได้ซึ่งไม่ใช่เป็นประโยชน์ที่แท้าจริงสําหรับใจกลับเป็นโทษกับใจเพราะเมื่อได้มาแล้วก็จะทําให้เกิดความโลภอยากจะได้มากขึ้นไปอีกเมื่อเราทําอะไรแล้วเราได้รางวัลได้คาความชมเชยแล้วก็ดีใจแล้วเราก็หวังที่จะได้รับอย่างนี้ทุกครั้งเวลาที่เราทาําอะไร ใจของเราก็เลยไม่มีความปิติไม่มีความภูมิมใจไม่เหมือนกับการทำอะไรแล้วไม่ต้องการผลตอบแทนจากผู้ใดทำเพราะเห็นว่ามันจาเป็นต้องทาทำแล้วมันเกิดปอยูนกับผู้รื้เป็นหลักกับสังคมกับส่วนรวมไม่ได้เกิดกับเราโดยตรงทำอย่างนี้แล้วจะเป็นจาคะเป็นการเสียสละ เป็นการให้เป็นถามขึ้นมาแล้วจะเกิดความทุงใจสุกใจอยงที่พระพุทธเจ้าแนละครูอาจารย์ทั้งหลายท่านทํากันท่านไม่ได้ทําเพื่อหวังผลตอบแทนจากพวกเราเลยนะแต่นิดเดียวพวกเราจะถวายอะไรให้ใหกับท่านหรือไม่จะยกย่องเสริมเสริงหนระืออะไรยังไงท่านไม่ได้ตงงงงื่นกังวลกับเรื่องอะท่านทําเพราะท่านเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับส่วนรวมกับผู้อื่น ทำแล้วให้พวกอื่นเขามีความสุขัูท่านเองนั้นท่านมีความสุขอยู่แล้วท่านมีธรรมท่านจะงคิดอย่างนี้ได้แต่พวกเราไม่มีธรรมเราคิดอย่างนี้ไม่ได้เราคิดเราจะต้องคิดว่าเราจะต้องไม่เสียเปลีกยนคนอื่นเชงานถึงว่าเราไปทำกิจกรรมร่วมกันกินอาหารเสร็จแล้วคนอื่นไม่ยอมล้างจาน ฝอยเราล้างคนเดียวเราก็ล้างไปจะล้างให้ไปจะล้างไปแล้วคนจะมีความสุขอ่านี่แหละมันมัเป็นการทำประโยชน์เป็นการทำดีเป็นการเส้อสละถ้าเราเอาชนะความรู้สึกความเห็นแก่ตัวได้แล้วเราจะมีความสุข ทนี้นเราต้องมาปรับความคิดของเราใหม่แล้วก็อยากไปมองคนเองให้มองเพราะพุทธเจ้าครูบาจะเตือนว่าท่านทําเวลาแล้วท่านไม่ไม่ต้องการไม่ต้องการผลตอบแทนผลตอบแทนมันมีอยู่ในตัวของมันแล้วเพียงแต่ว่าเรายังทําไม่ถึงขั้นนั้นหรือเรายังไม่สามารถ อ, อต่อสู้กับความรู้สึกที่ไม่ดีของกิเลสไดคือความเห็นแก่ตัว าที่อยากจะได้ไประโยชน์จากสิ่งที่เราทำอยู่ถ้าเราสามารถเอาชนะความรู้สึกนี้ได้แล้วเราจะมีความรู้สึกที่สุขจัจคุ้ใจเจริใจอย่างที่เราพูดอยู่เสมอว่าให้ปิดทอหลังพระกันทำไปเถอะไม่ต้องไปให้คนหนึ่งเขารู้ไม่ต้องให้คนห น, นึ่งเขามาชื่นชมดูดึยกย่องสารเสรียงให้ทาอย่างนั้นไป นี่คือการท ำ, ท, ำทางที่บริสุดิไม่มีความโลภอยากได้ผลตอบแทนจากผู้หนึ่งผู้ใดนัมันจะได้ผลมากที่สุดผลทางด้านจิตใจจะจิตใจของเราจะมีความภูงิใจมีความพอใจมีความสุขใจลองทันดู แต่มันยากเพราะว่ามันมีอุปสรรคคือความเหงแต่ตัวนี้มันจะคอยมาขอให้เราคิดรู้สึกว่าเราถือเปรียบรู้สึกว่าเมื่ไหร่เจะกว่าหน้าบ้านเขาเอ ง, เ น, องนั่นแหละนั่นเป็นความที่ที่เราไม่ควรที่จะคิดเราเห็นว่ามันสมศักดิ์แล้วว่าทำจะเสียทำไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวสักวันมันเขาจะต้องอาจตัวเขาเอง เราต้องอายสมมติถ้าเึ็น้านเาแล้วคนอื่นก็้ามาขวานให้เราเช่นวันโดยที่เขาไม่ได้มาขอผลตอบแทนใดๆเราเลยทั้งวันนี้เราจะต้องไปกะเขาว่าพราะเราจะต้องอายตัวเราเองว่าเราทำไมถึงชื่อยอย่างนี้ขอให้คนอื่นเขาต้องมาทํำอย่า ง, งนี้ให้กับเราความรู้ <c oughs> สึกสใหญ่คือเราเสียเปรียบถูกอเอาล่เอาเปรียบเอเอ ทางธรรมนั้นเป็นอย่างเนี้ทางธรรมนั้นเป็นเรื่องของจิตใจและเเรื่องของการที่ต้องเสียสละธรมาจาระคะนี้ก็คือ เ, เสียสละเสียสละประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมก็ดีหรือของผู้อื่นก็ดีทําแล้วมันจะทําให้เกิดความสุขใจที่แท้จริงในใจของเรา แต่ญาติโยมก็ทําได้กับคนบังคนใช่ไหมกับคุบาจานี้เราทําได้ทำบางการอะไรทำเดือดร้อนอะไรนี่เรายังดีทำใด้ใเรหลองก็มีความสุขใจแต่ทำไมกับคนหนึ่นเราทําไม่ได้เยนันก็คนเหมือนกันเ๋ยวเราไม่กิเลยเรายังไม่ไม่แยกแยว่าทำแล้วมันได้ผลเหมือนกันเรายังจะคิดว่าทำกปบคุบาจารย้ได้ผแต่ทํากับคนอื่นแล้วไม่ได้ผล พระพุทธ้งต้องคอยสอนพระเลยกับญาญงวะถ้าพืาเ่เจออยากจะรักษาสถานคศก็ให้รักษาพระส่วนไปเถิดแนาหมายก็คืออยากให้เราได้ทําความดีเพื่อเราจะได้มีความสุขเ<ม>หมือนกับที่เราได้ทกำกับพระพุทธเจ้าป<ม>้าหมายเป็นอย่างนี้น<ม>พระพุทธเจ้าองค์เดียวเราเป็นหมือนเป็นแก่เราจะไปรักษาท่านคนเดียวได้ยังนงต้อง<ม>ให้มารักษากัานอื่นแทน แทนที่จะถวายเงินให้หลวงตาไปสร้างโรงพยาบาลเราก็ไปทร้างกันเองเลยก็ได้ท่านจะได้ไม่ต้องเอลยไม่ <c oughs> ได้ผลเท่ากันอะไรแต่เมื่อเราไม่ไม่ทําอย่างนั้นท่านเลยต้องทําท่านต้องเป็นคนรับผ่านรับเอาเงินจากพวกเราไปทําอีกทีผลก็จะได้น้อยกว่าเพราะว่าเราไปไปขูดเจ็บอยู่กับตัวท่าน สายน้าไม่กว้างพองยังไม่สับเพศ ส, สัตตาเนระเจ้าขสอนไม่ใช่สัพเพสัตตาไม่ใช่เนื้อตาองค์เดียวหรือพระพุทธเจ้าองค์เดียวแต่สัพเพสัตตาในเรื่องของการจารกะในเรื่องของการสงเคราะห์ช่วยเหลือกันอย่าไปแยกแยะว่าเป็นคนดีเป็นคนชั่วคนชั่วเขาก็มีจิตมีใจเขาก็ เขาก็ต้องการความเมตตาเหมือนกันเมื่อเราให้ความเมตตาแล้วความเมตตานั่นแหละจะไปทําลายความเชื่วของเขาได้เพราะว่าคนที่คนที่ไม่ดีแล้วกลับการเป็นคนดีต้องมีเยอะเพราะความเมตตาเนี่นแหละที่จะไปไปไปลลายจิตใจของรขาแต่ความไม่มีใจเมตตาความความอะไความใจไม้ใช้กระทำนี่ไม่ได้ไปทําให้ คนที่ไม่มีคนชั่วนี้เป็นคนดีขึ้นมาได้แต่จะทําให้เขาเป็นคนชั่วมากขึ้นไปเช่นเขาเดือดร้อนแล้วก็ต้องไปเป็นขโมยอย่างเงี้ยแล้วแทนที่จะมีความแน่ใจเอื้อเฟื้อสงเคราะห์เขาเรากลับไปไปไปดูถูกเห ย, ยียดหยามหรือไปอะไเขาอย่างนไปด่าไปตำไปตำหนามเขามีหมายถึงอะไรก็เลที่เขา คนโทษมาแล้วนะเนี่ยเรื่องของทโทษมันก็เป็นเรื่องหนึ่งทำไปแล้วก็ต้องใช้โทษนั่นไปแต่เราควรจะเปิดโอกาสรับเขากลับเข้ามาในสังคมให้ความเมตตารับมีงานก็ลองเปิดโอกาสให้เขาได้ทํำดูอย่างนี้เราก็จะมีโอกาสที่จะมีความคิดที่จะเป็นคนดีได้แต่จะมีบ้างในบางกรณีที่เป็นคนที่มีความชั่วอยู่ลึกเป็นสันดาลซึ่ง อาจจะต้องใช้เวลามากหรือต้องใช้ความเมตตามากอย่างนี้ก็เป็นกรมีพิเศษแต่โดยทั่วๆไปแล้วคนเราส่วใหญ่ครับบางทีก็ไม่ได้ชั่วเพราะอยากจะชั่วแต่เพราะความจำเป็ น, นบังครับแล้วถ้าเมื่อเขาทํร้าแล้วก็ใช้ขั้วหมดแล้ ว, วนน <c oughs> ก็ควรที่จะปรับการให้เขาได้เป็นคนดีบ้างในการ แทนเมตตาให้กับเขายินดีต้อนรับเขาให้กลับเข้ามาสู่ในสังคมมีอะไรพอที่จะช่วยเหลื อ, อกันได้ก็ช่วยเหลื อ, อกันไอย่างนี้จะทําให้จิตใจของเขาเนั้นออกเลยแต่ถ้าเราไปใจม้ใจละกามกับเขามันก็ยิ่งทําให้เขากระด้างขึ้นนะเพราะเขารู้ว่าเมื่อเขาพึ่งปากทานไม่ได้ขาต้องพึ่งตัวเขาเอง เขาก็ต้องทำด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อที่จะให้ตัวเขาเห็นว่านั่นขอให้เราพยายามแผ่เมตตาให้ทั่วทั่กันทั้งคนที่เรารู้จักและคนที่ไม่รู้จักขอให้ที่ว่าเขาก็มีใจเหมือนกับเราใจของคนเราทั้งสัตว์โลกทั้งหลายนี่เหมือนกันปรารถนาความสุขไม่ปรารถนาความทุกข์เหมือนกันดังนั้นปรารถนาความเมตตา จากผู้อื่นเสมอการแถนเมตตามนี่เป็นครที่จะแผ่ให้เท่าึงียมปจารคาก็เสียสละให้เท่าึงแต่ก็ จ, จะต้องพิจารณาเป็นกรารจนไปว่าแต่ละคนนี้ควรที่จะสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างไรมากน้อยเี่าไหรต้องดูที่ ความสามารถของเขาที่จะรับไปได้เช่บางคนไม่ควรที่จะรับไปมากให้ไปมากแล้วเขาไม่ได้อะไรทำไปโยชน์ก็ไม่ควรให้ไปเป็นคนที่ชอบเล่นการพนันนี้ถ้าเราไปสัเคาะ์ให้เงินทองเขาเขาก็จะนํำออกไปเล่นการพนันอย่างนี้เราก็ไม่ควรที่จะให้เงินทองเขาถ้าความเดือดร้อนทำได้กระจายสีก็ให้ปัจจัยสีไปพอ ใจเนี่ยไปให้เงินไปซื้อปัจจัยสิเพราะริงจะไม่เอาไปซื้อปัจจัยสิจะเอาไปทําอย่างอื่นแทนก็ต้องดูแต่ละกรณีไปแต่ก็ไม่แต่ก็ให้มีความเมตตาเมื่อมีความกบฏนาเมื่อเคลือบเปอกแต่ก็กลับมาที่เรื่องเดิมที่พูดว่า ทำบุญกับพระตักทำบุนกับสุนัขเนี่ยมันมีประโยชน์สองชั้นไงประโยชน์ชั้นเนึ่ยคือทางใจเราดีเหมือนกันมีสัตย์เพศตาตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงม า, มาถึงสุนัขนี่นก็ทําไปเรื่อยด้วยความมีความเมตตามเมื่อเพื่อเผื่อแผ่าจของเราก็จะมีความสุขแต่อีกกรณีหนึ่งก็คือดประโยชน์ที่จะบุคคล น, นั้นจะเอาไปทำนี้ เราก็ต้องดูความสามารถของเขาว่าเขาสามารถทําได้มากน้อยเพียงไรถ้าเขาสามารถทําได้มากเราก็ให้เขามากสนับสมเห็จกามากถ้าเขาทําได้น้อยหรือเอาไปทําในสิ่งที่เกิดโทษเราก็ไม่สำับสมเด็จานัน้นเอเช่นให้เงินท อ, องตอน้นให้คนดีคนที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมได้เงินมาเท่าไหร่ก็อเอาไปทําสงเคราะห์โลกบแบบนี้เราให้ไปเท่าไหร่ก็ให้ไปเถิด จะได้กับคนที่เอาเงินนี้ไปเสดสุลายาม า, าไปเล่นการพนันไปเที่ยว น, นองนอกนี้ก็ไม่กควรที่จะให้ครับของพวกนี้ก็หาเขาเองถ้าเขาอยากจะอยากจะใช้การทําบุนก็ต้องเลือกคนในกรณีที่จะให้เขาทำประโยชน์ส่งเสริมเขาให้เขาได้ทําประโยชน์ก็ต้องเลือกคนทํากับคนดี คนดีจะได้มีมีมีเครื่องม้าเครื่องมือในการทําความดีแต่ในเรื่องของการทํำทำบุญเพื่อให้เราใจมีความสุขเนี่ยเราทําได้กับคนทกคนที่เดือดร้อนเนี่ยเมื่ว่าใครที่ตงพเดือดร้อนเขาทานคนขาทางก้างถนนเราก็ช่วยเหลือเขาอย่างนี้เราก็มีความสุขใจเท่าเๆกับเราเอาอาหารไปถวายพระพกทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มีร่างกายเหมือนกับขอทานคนเหมือนกัน ขอทานเขาก็มีร่างกายเขาก็ต้องการอาหารเหมือนกันหิวก็หิวเหมือนกันความต้องการเหมือนกันเท่ากันทางด้านจิตใจสี่แล้วเราสงเคราะห์โดยที่เราไม่หวังผลตอบแทนเราก็จะมีความสุขใจเท่ากันอนอกจากนเคสอย่างที่อภิษฐานเนี่ยนะคือเออมีคนเอาอเปรียบแ้วต้องไปทํางานแทนให้เขาอย่างนี้นะ ส่ว น, นคือความเมตตาเนี่ยนะฮะที่อาจารอยากพูดถึงนี่ก็คือพยายามทําให้มันเสมอกันตัวใครก็แล้วแต่แต่ส่วนที่การงานที่ควรจะทาให้เขามากน้อยแค่ไหนอันนั้นต้องพิจารณาด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเป็นหน้าที่การหน้าที่มันงานของเราเราก็ทํางานของเขาเขาก็ทำเขาไม่ทําก็เรื่องของเขาถ้ามันไม่ใชเป็นงานของเราแต่เราจะ ไ, ไม่ต้องทําให้เขาหมดทุกสะทุกสิ่งนะครับถ้าเหมือนเมืเ่อเขาร่าเลยไม่ทำเราเราไม่ต้องทําเลยเพียงแต่ว่าถ้ามันเป็ น, น, ปนหน้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกันเป็นส่วนทีท่เราต้อง มันเป็นมันเกี่ยวกับเราด้วยเราต้องทําคือทําร่วมกันเนี่ยแต่เขาเขาไม่ยอมทําเท่าที่ควร <c oughs> เราก็ต้องยอมทําไปก่อนเขาจะสุขสวนรวมจะเสียถ้าตัวไม่ทําแล้วก็ขอให้ <c oughs> เราคิดว่า <c oughs> มันมันเป็นการทำมือไปในตัวกันแล้วกันส่วนที่เกิดส่วนที่เราต้องทําทําให้กับเขาเนี่ยแต่มันพอดีมันอยู่ในกรณีที่มันต้องทำทำอย่างนี้ฉะนั้นงานของเราก็เสียไปด้วย เพราะเป็นค่าเป็นเป็นผลงานร่วมกันอย่างเนี้บางทีในสมัยเรียนหนังสือเนี่ยบางทีอาจารย์เขาจะจับกลุ่มกัน<ม>เพื่อนสองสามคนให้ทํางานโครงการใดโครงการหนึ่งคนคนหนึ่งทํามากคนหนึ่งทําน้อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทําบุญไปก็แล้วกันทํามากเราก็ได้บุญไปเราได้ปัญญามากขึ้นเราได้มากขึ้นจากการกระทำของเราแต่ถ้าเราทําให้เขาเนี่ยโดยที่จิตเรานี่ไม่มีความเมตตานะฮะ แล้วรก็จะมีความขดขู่ใจเราจะขดใจเราจะไม่ได้บุญ ต, ตรงนั้นมไม่ได้บุญตรงนั้นเพราะว่าใจเราไม่เราทําพวกความจําใจใจก็อยากคืนมากกว่าทุกวันหน้าบ้านเขาสกปรกบ้านเราเรนจะสกปรกไปด้วยหรือเปล่านั้นเองเพือ่อจครับ ท่านท่านจะสอนไปไปตอนแรกเลยนะคะเพียอนก็ขั้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลทุกทุกวันจนเกิดจิตเนี่ยจิตเนี่ยการที่จิตเปลี่ยนแปลงนั่นเป็นอาการหูจิตถูกไหมคะเราทีนี้ในการปฏิบัติเนี่ยเราต้องทวนกระแสกลับมาเพราะจิตเดิมไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมคะคือจิตนี่มันก็เป็นเหมือนกับน้ำเนี่ยน้ำมันก็เป็นน้าอยู่ตลอดเวลาแต่มันอาจจะมีคลื่นมีความร้อนมีความเย็น ตามตามอากาศทำรห้มันเปลี่ยนไปแต่น้ำมันก็ยังเป็นน้ำอยู่จิตของทุกคนนี่มันก็เป็นจิตเหมือนเดนคือผู้รู้ตัวนี้เหมือนเดินแต่อาการในของผู้รู้นี่มันมันก็เปลี่ยนไปตามสภาพตามสิม่งที่มาสัมผัสมากระทบตามกิเลสที่มีในจิตในของดวงนั้นมันก็เปลี่ยนไปวลอะไรมาสัมผัสแล้ว ก, กิดํวารโลมันก็มันก็โลภขึ้นมา เวลามาสัมผัสแล้วทาให้เกิดความโกรธนันก็โกรดขึ้นมาแต่นั้นมันก็หายไปใช่ไหมพอมันโลดเรื่อยๆแล้วมันหายไปมันโกรธแล้วมันก็หายไปแล้วมันก็กลับมาอยู่ในระดับที่ไม่เคยเปอยู่ของมันระดับของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันคือมันขึ้นอยู่กับมีกิเลสมากกิเลสน้อยมันก็จะอยู่ของมันเองแต่ถ้าเราตัดพยายามตัดกิเลสออกไปเรื่อยๆระดับมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงระดับสูงสุดคือไม่มีกิเลสเลย ทีนี้จิตมันก็จะไม่ไม่เปลี่ยนแปลงเหที่ทําให้เกิดการการเปลี่ยนแปลงก็คือตัวกิเล็กนี่ nih, ตัวโลกคนอะไรแตสภาพที่มันไม่เปลีป่ยนแปลงมันเป็นจิตเดิมหรือไม่คะมันก็เป็นหยิตตัวเดียวกันนะเรียว ก, นนกว่าจิตเดียวมรือจิตอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นจิตดวงเดียวกัน <classical. S 2> จิตสมัยที่พระพุทธเจ้าเป็นพระราชโอรสกับจิตที่พระพุทธเจ้าเป็นพระเป็นพระพิทธเจ้าแล้วก็เป็นจิตดวงเดียวกันต่างกันที่สภาพของจิตนั้นมันสะอาดหมดจด ละน้อยต่างกันณะเป็นราชวรวรสก<ม>็ได้ได้ได้ทําการเราเรีกอะไรสําระจมาในระดับของพระพระโพธิสัตว์แล้วซึ่งก็จะอาจจะพวกบุตรทวยอย่างพวกเราท่านมีทานมากกว่พวกเราอย่างสมัยเป็นพระเวสสันดรเราเปรียบเทียบเราแต่พระเวสสันดรนน่งก็เรากันว่าเราเราทําได้อย่างท่า น, นี้ือเปล่แสดงว่า ความสะอาดของใจของท่านนั้นก็มากกว่าเรานะแต่ยังไม่พอเพียงยังทํายังมียังมีโรคกรดหลองอยู่ในระดับของท่านที่ท่านยังไม่พอใจท่านยังต้องตักมันอีกกําจัดมันชําระมันไปอีกจนกว่าจะถึงจุดที่มันไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วนะท่านถึงจะเกิดความพอใจอเป็นที่ใจดรงนั้นก็ยังเป็นเหมือนน้ำเสมือนกับน้ําที่มันไม่สะอาดอย่างเงี้ยน้ําที่มี มีสิ่งอะไรต่างๆเสียตนอยู่แล้วเราเอาใส่เครื่องกรองน้ําแล้วก็กรองมันไปชั้นแรกแนละ้วมันก็ยังไม่สะอาดเต็มที่แล้วก็ไปหาที่กรองที่ละเอียดกว่านั้นกรองมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไม่มีอะไรลงนือเหนือติดอยู่ในน้ำน้ำนั้นก็ยังเป็นน้ําเหมือนเดิมน้ําที่ต้นทางกับน้ําปลายทางนี้ก็น้ําอันเดียวกันแต่ตรงที่ว่าน้ําปลายทางนี้ไม่มีเป็นที่ถกถกเสียตนอยู่เท่านั้นเอง ในบางคนเขาพูดว่าใจของปูุ้กชนกับใจของผู้เจ้านี่เหมือนกันถูกแล้วถูกตรงที่ว่าเป็นใจเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ว่าความบริสุทธิ์ไม่ไม่ไม่เหมือนกันเนัเหมือนเราอาบน้ํากับไม่อาบน้ําก็คนคนเดียวกันเนาะคนที่อาบน้ํากับคนที่ยังไม่อาบน้ำมันก็คนเดียวกันต่างกันตรงที่อาบน้ำมันมันสะอาด เร่นี้มันเป็นสิ่งที่มันต่างอย่างอื่นก็คือมันมันมันไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาหมายถึงว่าตัวจิตเองเนี่ยตัวตัวผู้รู้เองเนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลมันเป็นผู้รู้มาตลอดเวลาสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงก็คือสิ่งที่มีอยู่ในตัวผู้รู้นั้นคือคือกิเลสที่มีอยู่ในนั้นหรือธรรมะที่มีอยู่ในนั้นมันมันที่มีมีขึ้นมีลงมีมากมีน้อยแล้วแต่ว่าจะไปทําทํากรรมอะไร ถ้าทํากุศลกรรมก็ทําสร้างสร้างธรรมะให้มีมากขึ้นกิเลส ก, ก็น้อยลงถ้าไปทําอกุศลกรรมมันก็ทําให้เกิดกิเลสมากขึ้นทําให้มีธรรมะน้อยลงไปเป็นที้ที่เขาเรียก ว, ว่าอาการของจิตนี่ไม่ใช่จิตใช่ไหมจับก <c oughs> ็เป็นอาการของจิตก็เหมือนกับเวลาร่างกายไม่สบายเนี่ยมันก็เป็นอาการของร่างกายป <c oughs> วดทัวร้อนเจ็บท้องอะไรมันก็เป็นอาการ แต่ว่าไม่ใช่เป็นร่างกายมันก็มันก็ถูกเพราะมันไม่ใช่เป็นตัวร่างกายที่เป็นแต่มันเป็นอาการที่เกิดออกมาจากร่างกายจิตโลจตโดจิตโกรจิตหลงจิตสงบจิตคลุ้งซ่าอืมเหล่านี้ก็เป็นอาการของจิตเนี่ยแต่ไม่ใช่มันก็ออกมาจากตัวจิตเนี่ยหลอตัวจิตก็เป็นไปด้วยมันแต่เป็นแล้วมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างถาวรเป็นแล้วมันก็หายไปเราสามารถแยกมัออกมาได้ ถ้ามีสติมีปัญญาก็ยางมานออกได้คือพอรู้ทันก็รู้ว่ามันเป็นอาการเป็นเหมือนกับอาคารปุกะเป็นเหมือนกับสิ่งที่มาเยี่ยมเรียนแล้วจิตไม่ไปไปวุ่นวายไปกับมันนี้มันจะอยู่ก็ต้องปล่อยมันอยู่ไปถ้าถึงเวลามันจะดับมันก็ดับไปเองมันอาจจะดับได้ทันทีถ้ารู้ทันเพราะส่วนใหญ่มันเกิดจากการไม่รู้ทันของจิตไปสร้างมันขึ้นมาเองคือความหลงของเรา พอเราไปกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเราไม่รู้ทันว่าเราไม่ควรที่จะไปกังวลพอเรามีปัญญารู้ทันว่าเราไปกังวลก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไปแก้ปัญหานั้นไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ก็เขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นต้นพอเรารู้แล้วเราก็เลิกกังวลในความกังวลใจนั้นมันก็หายไปโดยใหญ่พอเราชอบกังวลเกี่ยวกับเรื่องอนาคตที่ไม่แน่นอน ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนาะอะไรจะเป็นหรือเปล่ปาอย่างนั้นกังวลไปมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรไม่กังวลก็ได้มีทางเลือกเลยจะกังวลก็ได้ไม่กังวลก็ได้แต่เราไม่เลือกกันเราจะเลือกที่จะกังวลกันเพราะเราไม่ยอมรับผลที่เราไม่ปาฏนานถ้าเรายอมรับอะมันก็เท่ากันผลจะออกมาบวกหรือลบ ใจก็เท่าเดินเพราะไม่มีอะไรที่จะมาทำลายใจได้เรื่งที่ทำได้ก็คือทาลายใจได้ก็คือความหลงคงใจนั่นเองที่ไม่รู้ทันกับกับสภาพที่เปต่างไปยึดติดอยู่กับสภาพหนึ่งแล้วก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไปตลอดแล้วก็กังวลว่าเมื่อไหร่มันจะหมดไป ฉันเมื่ออาทิตย์น้ามันหนาวเนี่ยก็คิดว่ามันจะหนาวอย่างนี้ไปตลอดหรือเป <c oughs> ล่าอยากให้มันหนาวไว้ตลอดก็กังวลเนปองด้วยนหนาวขึ้นมาก็เอก็ไม่เปล่าไม่มาไม่สบายใจอยากจะให้มันหนาวนั่นอยากไปกังวลต้องต้องต้องต้องเป็นอุเบกขาหรือเป็นสังดุให้พอใ จ, จกับทุกสภา ที่ปรากฏขึ้นมาความกงวลนั้นก็จะดับไปอย่าไปยึดติดกับสภาพใดสภาพหนึง่งสิ่งใดสิง่งหนึ่งอย่างใดอย่างหนึง่งเพราะมันไม่ถาวรมันไม่มันไม่คงเส้นคงวาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเกยนไปเสมอช้าหรือเลยเท่านั้นเอง เรายของแล้วกันดีเก่งแจ้นแลยก็ดีทนี้รูไม่มีปัญหานูเรูปเป็นคุณอธิบายแล้วก็ส่กนทธิบายได้เล้ท่านคือจริงๆแค่แสดงไม่ตอบไปเลยต้งสื่อเลยถ้าเจอเขาเขาใจไม่อะไรก็คือเขาคิดแล้วก็ถามด้วยกันว่า การทำฐานยังลูก้วี่ยนะคะเวลาทําทําอะไรถวายปัจจัยไปแล้วลูกทํำผือ mm hmm. เขาเนี่ยหย mm hmm. ่างพฤษภาเดนจะได้รับสิ่งที่ลูกได้ไหม mm hmm. ท่านบอกว่าได้เหมือนกันจะได้น้อยตอนนี้พอดีเข้าไปถามปัญหาอันนี้เขากลับไปถามลุงตาอีกลุงตาบอกได้แต่ลูกเพื่อจะโปงการท่านตอบในงวงกว้างถูกไหมคะท่านก็บอกว่าได้เขาก็เลยมีข้อสงสัยไม่ใช่ว่าถ้าเขาสากกระาษ ม, มาทํเขาไม่ได้ฝากให้ลูกทำในเรื่อที่แม่เจยทําให้ลูกด้วยเผื่อลูกด้วยเนี่ย อาจารยก็เคยบอกได้สักไม่กี่เปอร์เซ็นใช่ไ้มคะหนึ่งเซ็ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยของใารของมันก็่ขึ้นกว่าเขาอนุโมทนาเลยเขาจะได้เขาก็ได้เขาจะอนุโมทนาคนเราบัญชีกันคนเราบัญชีแต่สะดท้ชยท่านลุงตาท่านตอบในหมือว่ากนว่าอย่างนั้นแล้มันแล้วแต่คาถามที่ถามท่านเนี่ยม่เคยมันคือ คําถามนั้นมันต้องตอบแบบนั้นเองท่าก็ตอบแบบนั้นในเมื่อเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นหรือว่าเราอยู่แล้วเราจำคําถามไม่ได้เราจะมาพูดเกียบเทียบตอนนี้มันจะอาจจะค่าเคลียรอยไม่ขอไม่ขอกล่าวถึงดีกว่าเพราะว่ามันแต่ถ้าถามโดยตรงว่าเรื่องการให้เนี่ยมันต้องให้ของที่เป็นของเราเราถึงจะได้ เชื่อว่าโยมให้เอาเงินค่าคนของลูกเนี่ยบอกถ้าที่นึ่นม่ไม่เไม่เอาเงินค่าของลูกมาทําบุญ น, นะถ้าถ้าลูกบอกครับครั บ, บ, บดีใจด้วยอย่างเงี้ยเขาจะได้เต็มที่เลยเพราะเป็นเงินของเขาแต่ถ้าเป็นเงินของโยมแล้วบอกน่าจะทําให้ทำ บ, บุญให้กับลูกนะลูกเขาไม่มีความรู้สึกอะไรเขาก็ไม่ได้เสียอะไร มันได้เกินอนาเขาได้เขาได้ตรงที่นูโัธนาคนบัญชีเลยต้องต้องไม่ไม่มีความรู้ส็จที่ไม่มีความอยากคือบางคนนี่เขาตัวเองไม่ทําแล้วไม่ทอไม่อยากให้คนอื่นทำด้วยเข้าใจก็คือเงินของตัวเองก็ห่วงแล้วยังไม่ห่วงเงินของคนอื่นคือเช่นเงินของนม่ก็คิดว่าต่อไปอาจจะเป็นของตัวเองใช่ก็เอาไปแล้วถ้าแม่ไปทําแล้วไม่ไม่ ตัวเองครอบครจะไม่ได้เพราะจะไม่มีมรดกเหนือยอยู่ให้เงินแม่แล้วให้แม่ที่ธานแล้วก็มาถวายได้เงินแม่เราเองให้แม่ให้แม่ให้แม่เคสมมติว่าโยมให้เงินไปแล้วโยมขาดตัดขาดไปเลยชนะหนุนเงินอยู่การนี้ให้แม่แล้วถ้าเกิดหน้าก็บอกว่าช่วยไปทําบุญที่ไหนท่านก็ได้ แต่ถ้าเราไปบอกว่าหนูจะเอาเงินก้อนนี้ไปทําบุญได้แม่ไม่ได้แม่ก็ได้แต่ความมีมทลนาเท่านั้นก็คือไม่ขัดขวางเราชื่นชมยินดีไปกับการรทำของเราค่ะเกิดบอกว่าเราวันนี้เราจะไปทําบุญละแล้วโดยปกติท่านเราก็จะบอกแม่ว่าเดี๋ยวหนูจะไปทําบุญนะคะแต่ถ้าครามหน้าหนูบอกว่าเ อ, อวันนี้หนูจะไปทําบุญ <c oughs> แล้วเหมือนกับเป็นกิจวัตรวา่าแม่หนูจะต้องเอาเงินมาให้หนูเนี่ยถือว่าได้ไหมคะ มแม่ให้ใช่ไหมอุบายซ้อนลงไปวะแม่แ่เอาไงเขาแม่ศากมาทำโน้นโน้นก็ได้ออืแต่ถ้าไม่ให้อเลยก็จะไม่ได้หรือก็ได้ต้ะทําแม่ซอนโนมุทนาก็ได้นถ้าเขาแม่โนมุทนาเขาก็ไม่ไง่ายเข้าใจก็จะไม่สบายใจเขาเขาอาจจะเสียดายแทนเราเสียดายเงินแทนแทนเรา แต่แต่ถ้าเราบอกเขาแล้วถ้าเกิดในกรณีที่แปลว่าเราทําให้ดูแต่ให้คุณแม่อย่างเงี้ยแล้วไม่ได้บอกคุณแม่เนอะคุณแม่ก็ไม่รู้ทรมานลูกธนาด้วยเขาก็จะไม่ได้ให้เงื่อนใช่ไหมคะเราคิดของเราเองอย่างเงี้ยอย่างที่ไม่บอกก็ไมนได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็กลายเป็นของเราถึงแม้เราจะทําให้แทนไม่คยที่ราทานี่มันก็เป็นของเราอยู่แล้วไม่ว่าแม่จะรู้หรือไม่รู้ อันนั้นไอเงเนเงินที่เราทํานี้เป็นของเรา<ะ>บุญที่เราได้ก็เป็นของเราแต่ที่แม่จะได้ก็คือเวลาที่เราไปบอกท่านแล้วท่านชื่นชมดีดีไม<ะ>ว่าท่านมีความสุขไปกับเราอันนั้นก็เป็นบุญอย่าใหญ่ถ้าเกิดแม่เป็นคนตนื่นแล้วเสียดายแม่กับเสียใจแม่ก็ไม่ได้บุญส่วนนั้นไปเราไม่ได้บอกนะคะไม่บอกแม่ก็จะไม่เสียใจน่าก็จะเฉยเฉย ก็ไม่ได้หือไม่ได้เหมือนกันแต่ทั้งใจแค่เวลาอุ่ินมุสมอ่างูปแปดพีเทดาเนี่ยเขาไม่ได้ออย่างนีนี่ในบุญหลังบัญชีเะยหังบุรคบัญชีบุญเกิจากการนุ่งมอตนาบุญที่เกิดจากการอุทิกคุ ถ้าคุอยู่เวลาเราทํานี้เราคุณพิริ่แม่แม่ต้องได้ไหมคะถ้าแม่อยู่ในฐานะที่จะรอรับก็ได้ถ้ารับได้ถ้าไม่อยู่ในฐานะก็ไม่ได้บางทีจิตของท่านสูงกว่าท่านก็ไม่จําเป็นต้องรอรับตรงนี้เช่นออกแล้วเรื่องนี้จบหมดแล้ว เราทำทานแบบสมดุลเท่ากันให้กับบุคนคนเดียวกันแบบสม่ำเสมอค่ะแต่ว่าในแต่ละครั้งความสืนใจเนี่ยมันไม่เท่ากันและอย่างนี้คือผของการที่เราทําในสมดวลป้องกันกับบุคลคนเดียวกันลักษณะเดียวกันแต่ว่าความฝืนใจของเราแต่ละครั้งไม่เท่ากันแล้วมันจะแตกต่าง มันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่ผมเคยถานท่าอาจารย์ว่าทาไปทําอยู่หลงตาแล้วมันปัดปื้มมันแล้วแต่วันบางวันเรามีเรื่องจิตเราไม่พอใจเขาเนี่ยบางทีเราทำบางวันนั้นก็อาจจะไม่มีความสูกเท่ากับวันที่เราไม่ดีเรื่องกับเขาก็ได้ก็แค่เราทะเลาะกันแล้วเราต้องทําให้เขาเพราะฉะนั้นทําแล้วไม่เข้าได้ทำนี่ความบินไกลเท่าไหร่ คำเดียวกันีแต่ว่าถ้าถ้าเราทําแล้วถึงแม้ว่าเราจะวันนั้นจะไม่พอใจเขาแต่เรายังทําอยู่ก็เรามีความแน่วแน่มั่นคงกับการทำเราก็ยังจะมีความสุนใจเข้าเดินได้แต่ถ้าเราเอาความรู้สึกที่เราไม่พอใจเขามาเกี่ยวข้องด้วยอความรู้สึกนั้นมันก็จะมาขวางความสุขทางใจให้เกิดขึ้น เก่าวแม่มีความรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกไม่ไม่ไม่เท่ากันท่านคะท่านบอกว่าบุญผู้ทําเป็นผู้ได้ได้รอแผ่สังติสุนไปนี่หาประมาณไม่ได้จะแผ่ไปมากเค่ไหนก็ไม่ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนั้นใช่คะมันเป็นโอหานมากกว่าคือไม่ที่สิ้นสุดก็คือว่าบุญนี่มันไปได้แล้วแต่ว่าผู้ที่รับนั้นอยู่ตรงนั้นมันก็ไปได้ แต่ผู้ที่รับนั้นเขารับได้เพียงนิดเดียวเพราะฐานะของเขาเป็นเหมือนกับภาชนะชีวิตของเขาเนะั้นรับยุนได้เพียงเซี่ยวเดียวของบุญที่เราทำามื mm ่อ hmm. เราทําร้อยแล้วเรา อ, อุทิศไปเนี่ย mm hmm. เขารับได้เพียงหนึ่งส่วนเท่านั้นเองในเก้าสบเก้าส่วนนี่เขารับไม่ได้เพราะเขาไม่มีฐานะไม่มีภาชนะรองรับยิในในใจของเขา เพินงเจอค่ะแต่แม่ไป่องบุรุษ ป, ประชนีดีกุไมนได้ท่า อ, อย่างอืนนะครับม่ได้เฉยเล่ะก <c oughs> ็เท่าที่ได้ยินมานะา ม, นมันไม่ได้อยู่ที่บุรุษ ป, ปชนีมันอยู่ที่ผู้รับอยู่ที่รับานะของผู้รับว่ า, ามีมีภาชนะรองรับได้มากน้นอยเช่นไท่านจะแผ่ไปกับรูปแผ่ไปกุยง ป, ปรียบเวดาต้งรับจะกท่านกันได้บางคนรูปแผ่แน่นอนเลยนะ ไม่ยําเป็นนะคิดว่ามันไม่เกี่ยวกันอาเจวากันด้วยความรู้สิ์ของใจของแต่ละคนที่แผ่ไปไม่ไม่เสมอกันหรือเปล่าคำเาของคุณไม่เท่ากันใช่อาจารย์เยอะหรือเปล่าหารเซ็์ก็เยอะกว่าเราอรเอโดยรวมก็คือว่า ทำเอในขณะมีชีวิตอยู่ได้มากกว่ารแ <c oughs> ต่าคนอื่รอดใช่ใ <c oughs> ไม่ทำาให้ไม่ส่งให้เราอยากให้คนอคื่มนมอยากให้ชอบแม่ก็ให้เขาทาตามที่ ก, การมีชีวิตอยู่เป็นใจแล้วับสาก็ต้งตงามมีตามไปตามดูตามกรรมไป <c oughs> ตามตามฐ า, านะของเขาไปนันดีทาแบบคนส่งดีขนาดไหนแต่คนรับไม่มีที่รับก็รับไม่ได้เช่นไปจดนาลอกนี้ก็ตอนนั้นกลับไม่ได้ หรือไปเกิดกันอย่างอื่นก็รับไม่ได้ทั้งนั้นมี ม, มีมีพวงเดียวคือพวกเกิดทั้นั้นที่รับได้ที่รอรับอยู่ผูกนี้นั่นเองครันที่รอรับอยู่แต่พวกอื่นนีต้องไม่ต้องรอรับเขาเขาถ้าเป็นในราชาญเขาก็หาของเขาได้เช่นเขาหิวข้าวเขาก็หาข้าวกินได้เขาอยากจะเสกการมเขาจะหาคู่ของเขาได้เขาเป็นมนุษย์เขาก็หาความสุขของเได้เป็นเทพเขาก็มีความสุขสองเขาอยู ถ้าตกเง้วแล้วเขาก็มีแต่ความทุกจะเมาไม่เห็นความสุขให้ส่งให้ความสุขไปให้เขาเขาก็เขาก็เขาก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเขาทุกอยู่ตลอดเหมือนคนที่ทุกแล้วชวนก็าไปเที่ยวเขาก็ไม่อยากจะไปใช่ไหยไม่มีความสุขที่จะเที่ยวก็อย่างนั้นแหละเหมือนคนจิตตัวใเญ่นี่เป็นคนที่ให้บ้าง เป็นพวกที่ถูกปล่อยมาจากคุกเนี่ยพวกเป็นเี่เหมือนพวกที่เพิ่งออกมาจากนรกแล้วไม่มีบุญเก่าพอที่จะส่งให้ไปไปเกิดในภูมิใดภูมิหนึ่งก็เลยก็เลยยังคล้ายๆว่าจะเปรตจะปะยังหาหาทางไปหาที่อยู่ก็เลยอยากจะหาอะไรแค่ว่าประทังชีพไปวันๆหนึ่งก่อนก็ได้อาศัยบุญในพินทุที่เพิ่มไปใช่ไหมในนิจกรรมเยอะมา ก, มกาเลยนะครับเด็ ก็ไม่ทราบเยอะไม่เยอะมันก็แต่นี่มันเกิดจากเกติที่เวลาที่มีฐานะดีแต่ไม่ไม่ทำบุญไม่เสียสละมีแต่ความโลภความอยากได้ของผู้อื่นและได้มาด้วยวิธีที่ไม่ชอบเช่นผิดศีนผิดธรรมก็จะทำให้เปเป็นเปรตแต่บางทีต้องไปใช้กรรมในนรกก่อนเพราะว่าวิธีที่ไม่ชอบนี่มันมีโทษแรงกว่า แค่อยากจะได้เงินของคนอื่นแล้วก็ไปฆ่าเขาก็ต้องไปใช้ใช้ใช้ใช้โทษในโนโกรกก่อนแล้วออกมาถึงมาเป็นเปรตแต่ถ้าเราไม่เราเสมว่าเราทําบุญให้ทานอยู่สเสมอตลอดเวลาใจเรากว้างเราไม่เสียาจอย่เงียแต่วันดีคือดีเกิดมีใครมาทําให้เราโกรธมากเราฆ่าเขาตายสมมติเราไปตายไปแล้วเราก็ต้องไปใช้กรรมในโนรกเหมือนกัน แต่พอเราออกจากแล้วัาน้นเราอาจจะไม่ต้องเป็นเต๋อเพราะเรามีบุญที่เราทำไวอ้อย่างส น, ส น, สนัำเสมอก็ทําส่งให้เราไปเกิดในสวรรค์เลยก็ได้เป็นเทพเลยก็ได้เดิน ม, มาเกิดเป็นมนุษย์เลยก็ได้เพียงแต่ ว, ว่าเมื่อไปทําโทษไปฆ่าผู้อื่นนี้ก็ต้องไปใช้กรรมในมนยเมื่อหมดกรรมนั้นแล้วก็มันก็จะมีบุญที่เราทำไว้อยู่นี้มาหลอมหงหลอมทีเราก็ไม่ต้องมารอให้บุญทิศของผู้อื่น ไม่ต้องไปเคาะประตูบ้านคนนั้นคนนี้ให้เคาต้องเลยของคุณตกใจตก ใ, ใจเหมือนในนิทานในเรื่องที่พระพุทธเจ้าส่งที่มีพระเจ้าอยู่หัวรูปหนึ่งที่ว่าท่านมีใครมาสร้างเสียงรื้อกดีคนมาแล้วนอนไม่หลับเลยเนี่ยท่านต้องมากราบทูณถามพระเจ้า พระพุทธ้าก็คงบอกว่าเป็นอาารรมะเก่าที่ไปเป็นกันมาก่อนในชาติก่นกอนๆนั้นแล้วธาารรมะนี้มีจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์คือยักยอกเงินของพระเจ้าแผ่นดินเงินที่ว่าเจ้าข้าเจ้าแผ่นดินฝากให้ไปทํางุนทางทานก็ยักยอกถอดไวปบางส่วนเมื่อตายไปก็ไปตกในนรกก่อนเมื่อออกมาจากนรกก็ไม่มีที่ไปก็คิดถึงเจ้านายเก่า เขาขอความี่เหลืออะไรในการเมืองฝักตังพวกเราตัวงมงานอย่างทราบว่าเพาะัะเกย์ค่ะหรือว่าคนที่ผิดทำไรท้งนั้นค่ะจะสามารถสนรลุผคนิตรภาได้ ได้เพราะเขาเขาก็มีกิเลสเหมือนคนที่ไม่ใช่เป็นกระเทยคือเขาเขาก็มีความโลภความโกรธความหลงเหมือนกันและถ้าเขาเกิดมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ปฏิบัติชำระความโลภความโกรธความหลงเขาก็บรรลุได้เหมือนกันไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขชอบนี่มันไม่ไม่เหมือนกับคนทั่วไปเท่านั้นเองเป็นการไปชอบคนเพศเดียวกันเท่านั้นเอง แต่ตัวที่เด็ดเป็นตัวเดียวกันคือการ ม, มาราคานี่ยก็เป็นตัวเดียวกันเหมือนกับไปชอบเพศที่เหมือนกันเท่านั้นเองเหมือนกับคนที่มีการมาราคาแล้วชอบคนรูปร่างหน้าตาแบบนี้ไม่ชอบคนรูปร่างหน้าตาแบบนี้แต่เราไม่ถือว่าเขาผิดเพราะว่าเขายัางชอบที่เพศตรงกันข้ามอยู่แต่พอไปเป็นเพศตรงกันข้ามตับนี่เราก็ไปว่าเขาผิดพรยิ่งมันผิดทางด้านสมมติเชอะมากกว่าทางด้านสังคมความรู้สึกในคิด แต่ทางด้านกิเลสนี่มันมันเท่ากันมันมีกิเลนนสเหมือนกันไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าศาสนานี้บางทีมีข้อแม้บางอย่างเพราะว่าถ้ามาบวดแล้วมันอาจจะวุ่นวายอยู่ปาเดียวกัน <c oughs> แต่แม้กระทั่งผู้หญิงบวชยังยยังุ่งยากเลยแล้วถ้ากระเทยมาบวชก็ยุ่งยากก็บวชได้ถ้าเขาถ้าเขาสมมติว่าเขาไม่มาบอกว่าเขาเป็นกระเทยแล้วเขาก็ตั้งอยู่ในธรรมยังไงเหมือนกับผู้หญิงอย่เงี้ยเหมือนกับคนที่ไม่ใช่กระเทยก็ไม่เป็นปัหาอะไรแต่ถ้าเขาปรากฏว่าเป็นกระเทยแล้วแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างเปิดเผยอย่างเงี้ย ก็อาจจะไม่รับเพราะอาจจะเห็นว่าเขาคงจะไม่สามารถที่จะปรับตัวของเขาเองให้อยู่ในธรรมวินัยได้ทางศาสนานี้ไม่ได้รังเกียจคนเพราะว่าเขาเป็นเพศเป็นวัยแต่รังเกียจเพราะความสามารถของเขาในการที่จะปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเท่านั้นเองที่รังเกียจเพราะถ้าไม่เช่นนั้นเราจะทําให้พระธรรมวินัยเสื่อมเสียทําให้สงฆ์ไม่เป็นที่น่าศัทธาที่น่าใส จะทําให้ไม่เจริญและจะไม่ทําให้มันทุกทุกอย่างมันมันล้มไปหมดเนะี่ยเพราะว่าศาสนาเนี้ก็มีมีสงฆ์เป็นหลักแหลังจากพระพุทธเจ้าผ่านไปก็ต้องมีสงฆ์เป็นหลักที่จะสืบทอดที่จะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในในศีลในธรรมน่าคาลกเลื่อนใสเป็นหลักที่ดังนั้นเวลาใครมาบวชนี่เขาถึงต้องคล้ายๆว่า สอบควาภาดก่อนว่าผ่านผ่านเกณฑ์หรือไม่มถ้าผ่านเกณฑ์ก็บวชได้เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวใครอยากจะบวชก็มาบวชกันเลบางทีคนค น, คนพิกงพิการเนี่ยไม่มีที่ไปก็มาบวช <c oughs> แล้วมันมบวชแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติท่อจิตวิทารต่างของของพระได้มันก็ไม่ทำให้ให้เป็นที่น่าเรื่องสายศรัทธาของผู้อู่ ก็ต้องปฏิเสธออกไปแต่ถ้าชื่อเหลือเขาได้ก็เทือนเหลือไปทางด้านตัดใจสิเพราะว่าเป้าหมายของการมาบวชของในทางศาสนานี้ก็เพื่อให้ได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานและต้องทําด้วยอัตตาหิอัตโนโนาเถิดตนต้องเป็นที่พึ่งของตอนนั้นถ้าคนที่ไม่สามารถเป็นที่พึ่งของตัวเองได้แล้วจะไปปฏิบัติเพื่อนลักผลนิพพานได้อย่างไร ก็ต้องดูต้องจุดนั้นเป็นหลักก่อนวนะ่าเขาพึ่มตัวเองเขาได้ไหมเขาดูแลรักษาตัวเองได้นนะดดั้มมาบวชแล้วดินมตะบารได้ไหยหา ก, กินเองได้เหมือนอะไรอย่างนี้ถึงต้องปฏิบัติดูแลความสะอาดของที่พักเขได้หรือเปล่ปาทักจีวรตัวเองได้หรือเ า, ามาบวชแล้วทำไม่ได้ร่างกายยังมาเป็นภาระกับเขาม า, มารับดูแลเขางนั้นก็เลยต้องมีกฎมีเกณฑ์บางอย่าง ถ้ามีคำถามอีกไม่ถามนะว้าไม่สามว่าของใครมีคำถามไหมครับมีอะไรหรอเวลาติดผมน้ังนิ่งๆคถึงว่าเวลา อกิดยังมีปีกว่าตายแล้วไม่สอมองตายแล้วจะจะกรร ม, มเกิดจะไม่มีกรร ม, มเกิดอีกที่เราคิด เ, เ อ, งองทุกทุกคั้งที่มีสภาวะธรรมเกิดขึ้นเด็กมันจะรู้ว่ากว่าคือแบบว่ามันไม่เห็แบบอิปุลั์เดียร์พระธรรมคังภร์้าวกล้องันจว่าแต่ไม่เกิดวัดโพตายดแับบ ลงไปแล้วมันก็ เ, นกนก เ, นเกิดมากนะปฏิกิริยาเกิดเห็นทนคิดเองหรือเล่าเห็นบางทีเห็นคพื่อนที่พิศตายลงไปแล้วตัวเราตกใจเขาบางทีเจ็บบางทีกคิดไปว่ามันนั่งเมาแล้วเหมือนว่าได้ไปบ้างขึ้นไปได้แต่วได้ไปกล่าวพุทธองค์เลยหรือรับคิดเองหรือว่าเราเป็น ก็เป็นอยู่ในตัวของเราเองเราก็ต้องตอบเองมาลุ้นลุดผู้ใดในใจก่อนการลุ้สิ่งรลกที่มีผลอยู่ล้วเคือถ้าเป็นพระโสดาบันนี้ท่านก็มีความมั่นใจว่าท่านไม่ต้องไปเกืดแม่ใบอันนี้จิตแต่นี้ถือว่าจิตที่ดีรู้รักษาแล้วคือเกิดแต่ว่าจะแก่กันาแล้วนต่กรปบ ก็ดีเด้ถ้าคิดอย่างนี้ได้แล้วถ้ามีความมั่นใจก็ดีแต่มันจะเป็นไปตามความมั่นใจของเราหรือไม่นั้นก็มันเราไม่รู้ว่าบุญกรรมที่เราทํามื่อในอดีตนั้นมีมากน้อยเพียงไรแต่เราไม่รู้ว่าเวลามันส่งผลมานี้เรามีความมั่นใจที่จะลบล้างมันได้หรือปั๊ดถ้าเรามีความมั่นใจว่าเราลบล้างกรรมที่จะฉุดล่าให้เราไปเกิดในบายได้ อันนี้เราก็มันก็เป็นเป็นธรรมเป็นความจริงที่เรารู้อยู่ในใจของเราแต่ถ้าเราถ้าเรายังไม่มั่นใจยยนี้ก็อาจจะเป็นความรู้สึกไม่คิดของเราไม่มั่นใจตัวเาที่เออเอาวันเถออ่เหมือนคนที่มีความมั่นใจว่าจะไม่ทําบาปต่อไปอ ว่าเรามีความมั่นใจแบบนั้นหรือเปล่าถ้าเรามีความมั่นใจแบบนั้นก็คิดว่าเราก็คงไม่ต้องไปอบับายเขาไปแต่ถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะรักชีวิตของเราหรือหรือเราจะคือเราจะยอมปล่อยให้ชีวิตคองเราหนี้ดับไปโดยที่ไม่ป้องกันโดยไม่ไปทำร้ายผู้ช่วรักษาชีวิตของเราได้ไหรือไม่ถ้าเรามีความมั่นใจว่าอ่ะ ถึงเวลาตายยองตายแย่จะไม่ไปฆ่าใครต่อใครเพื่อป้องกันรักษาทีเนี้ถ้ามีความมั่นใจอย่างนี้ก็คิดว่าคงจะไม่ต้องก็ไม่ต้องไปไปเกิดในาบายเพราะเราไม่ทำเราไม่ทาบานะยะอันนี้สงของบาปเดิมที่มันมันผ่านมามันก็จะไม่มีกยลังที่จะมาต้านขัน ความแน่วแน่มั่นคงของของใจงของเราได้ตม น, นั้นมันก็ไม่ต้องไปเกิดแ้่เรื่องเหล่านี้มันต้องเป็นสารทุกิโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้ได้ด้วยตนเองมีความมั่นใจในตนเองผู้อื่นนี้จะไปมั่นใจแทนไม่ได้ แต่ก็พระพุทธเจ้าท่านก็นรู้ได้เลเช่นพระอัญญาณโกนพญตอนรี้ท่านรเป็นพระโสดาบันพระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าจิตของพระอัญญากนพญานั้นได้ถึงในระดับ น, นั้นแล้วที่แต่ละแต่ละคนอาจจะมีความสามารถในทางด้านนี้ไม่เหมือนกันคนอื่นอาจจะ บางคนอาจจะมีความสามารถรู้แต่วาระจิตของตนเองแต่ไม่มีปัญญาที่จะไปรู้วาระจิตของผู้อื่นก็ได้ว่าจิตของผู้อื่นทำนี้ได้บรรลุแล้วหรือยังอะไนี้ก็หมีแต่ก็ไม่สําคัญเท่ากับการรู้วาระจิตของตนเองว่าตนเองได้บรรลุแล้วหรือยังได้หยุดคนแล้อยังถ้ารู้อันนี้แล้วก็พอแล้ว่วนอยากจะรู้ของคนอื่นไม่อันนั้นก็เป็น เป็นของแท้เป็นความสามารถพิเศษที่ตามมาจริงถ้าอรหันต์แต่ละรูปท่านถึงมีความความความสามารถแตกต่างกันในในในในเรื่องความรู้พิเศษต่างๆนี้ถ้ามีความความสามารถต่างกันแต่สิ่งที่ท่านมีเหมือนกันก็คือความความรู้ว่าจิตของท่านได้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้วอันนี้ท่านมีเหมือนกันคืออาสวัคคยา รู้ว่าอาสวะทั้งหลายได้หมดสิ้นไปจากจิตของท่านแล้วแต่บางท่านก็ไม่สามารถรัทรสชาติได้บางท่านก็รับรสชาตได้บางท่านก็มีฤทธิ์มีเดชต่างๆอ่านจิตใจของผู้อื่นได้แั้วเราก็ทําอะไรหอเหินเดินอากาศหรือทำอะไรต่างๆได้อย่างนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องความรู้คามสามารถพิเศษนอกเหนือจาก การหลุดพ้นจากความทุกข์ซึ่งเป็นเป็นเป็นความรู้ที่สําคัญที่สุดคือการหลุดพ้นจากความทุกข์การสิ้นกิเลสยันพระอานารย์โยบุท่านจะมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันเพราะพระพุทธเจ้าก็ส่งยุบย่องแต่เรโยบุต่างกันไปพระสาจารย์โก็ส่งยุบย่องว่าเป็นผู้ที่ฉลาดแสดงสามารถแสดง ทำให้จากผู้อื่นให้เกิดการเข้าใจได้ดีมากที่สุดในบรรดานสาวะทั้งหลายก็วนี้ให้เป็นอัคระสาวกขวาทางด้านขวามือขวาของนิพพานเจ้าโดยผู้ที่เก่งทางด้านลึกเด่นมากที่สุดก็คือพระโนะกัลาเนี่ยก็ทรงยุ่ยาวเป็นอัคระสาวลกทางซ้ายทางขวาซ้าย แล้วองค์อื่นท่านก็มีความรู้ความสามารถสางกันผ้านอนก็มีความรู้ทางด้านความศึกษาเล่าเรียนความจําจํำพระสูตรต่างๆที่พระเจ้าทรงสั่งสอนย่าพระอุบาลีแม่พระละพระศิวะลีก็ทรงเห็นด้านหรือด้านฐานเรื่องของการอนุสงของการการการที่ท่านได้ทำเป็นทาทานมาในอดีต ทำให้ท่านมีความเด่นในด้านเรื่องเรื่องการรับล่าประการะต่างๆนั้นแต่และองค์นี้มันนี่เป็นเรื่องของของการบำเพ็ญมาในอดีตซึ่งบำเพ็ญมาต่างกันมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่ทรงบำเพ็ญได้ครบถ้วน ท, ทุกบาราีทุกชนิดได้ครบร้อยทุทกส่วนจึงทรงมีมีพระบาราีมากกว่าพระสาวกทุกทุกรูป แต่เมื่อมาเป็นภาษาโลกแล้วก็มาเจอทางลัดไม่จําเป็นจะต้องไปบําเพ็ญส่วนอื่นที่ไม่จําเป็นต่อไปพอมาเจอพระพุทธเจ้าพระเจ้ก็สอนให้บําเพ็ญแค่ทางศีลภาวนาให้มาบําเพ็ญกําจัดโลกกฎหลงทางยึดป่ไม่จําเป็นจะต้องไปทําทานให้ร้อยเปอร์เซ็นทำอะไรให้ครบร้อเปเซเหมือนที่สมัยที่พระพุทธเจ้าสร้างบําเพ็ญเองนั้น แต่านอดีที่เคยได้ทำอะไรมามันก็ส่งผลมาให้ปรากฏให้เป็นให้มีความรู้ความสามารถติดติดติดตัวเราด้วยดนั้นแต่ละคนแต่ละองค์ท่านจะมีความรู้ความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันไปบางองค์ท่านก็ไม่มีความรู้ความสามารถมากท่านก็จะไม่ปรากฏเป็นชื่อเป็นเสียงขึ้นมาแต่ก็หลังจากท่านบรรลุแล้วท่านก็บรรเทาอยูอย่างี้ยเงเช่นพระ อัญญาณโงนทั้งย่านี่ยรู้สึกว่าหลังจากที่ท่านบรรลุแล้วท่านก็ไปอยู่ในป่าในโรงเดียวแล้วเดี๋ยวก็ถ้าใกล้เวลาที่จะนิพพานก็มากาบถิลาพระเจ้าท่านมาแล้วพวกพระหนุมพระอะไรก็ไม่รู้จักท่านก็เห็นท่านเป็นเหมือนพระแก่ๆองึงแล้วก็ดูแลก็ไม่มีดูเหมือนกับไม่มีบารมีอะไรก็ไม่ได้แสดงคัา ขาวบแทบพิกลเป็นพระพิพิาติ้องเจอเนานี่เป็นเป็นสาวกองแรกของท่านอาานะแต่ท่านท่านท่านอาจจะมีความเด่นในทางความน้อยสันโดษท่านชอบอยู่นี้เนี่ยของท่านก็เลยทำให้ไม่ปรากฏว่าเป็นเป็นผู้นีวาสนาบาลนี่อแต่เรื่องภายนอกนี่เราดูไม่ออกทงางพนั้นแต่และรูป บางองก็เรียบร้อยมีสัญญาลาสีบางคันก็บงคงบางองก็ผงขวางมึงกลูเป็นวาสนาบารมีั้งแต่ละองค์ที่ท่านได้บงเพ็ญมาไม่เหมือนกันที่พิจารณ์เหตุภาระสาวกนี่มีความสามารถพิเศษทุกองไหมครับ คือแม้จะแตกต่างกันแต่มีทุกองไม่ไม่ไดทุกองมาก็ไม่มีไม่มีเลยไม่มีอะไรท่านก็มีแค่มีแค่ความสามารถที่ทําจิตใจของท่านได้โดยสุดกันจึงไม่ปรากฏจึงไม่ค่อยปรากฏชื่อเสิงขึ้นมาจริเหมือนก็ไม่มีเพราะท่านไม่มีความรู้ความสามารถพิเศษอะไรจึงไม่มีเรื่องราวที่จะจายหรืกเกี่ยวกับตัวของท่านแต่เมื่ท่านสนทนากันท่านจะทราบ าาวท่านกันท่านคุย ก, กันท่านก็รู้ว่าแล้วแต่เราคุยเรื่องอะไรนะคุยเรืเร่อไงไปอินเดียนี่กันมีคำถามี่ย ทำอะไรถูกไหวของอของ จกอย่างเวลาที่สมมติเอตัวอย่างเคลื่อนของโนกออพื่อนของเราค่ะคือเขาจะดื่มแล้วเป็นบางโอกาสอะะทีนี้เหมือนกับแล้วคือเขาเหมือนมีความคิดที่ไม่ทราบผิดแค่ไหนนะคะเราก็เหมือนเทียง ม, ม, มาเถียงมากลายเป็ น, น่าเหมือนกับเขามองว่า คือมันไม่จำเป็นต้องไปเค่งหาันเรื่องสินข้าห้าขนาดนี้เหมือนกับว่าอาแล้วคือเหมือนกับเขาเขาบอกว่าเขาดื่มแล้วแล้วเขาไม่ได้เมาค่ะมันก็ไม่เหมือนกับว่า เหมือนกับคือสติเขาก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่เราเหมือนว่ายังไงมันก็การอยู่แล้วมันก็คือิ่เหมือนกัเป็นมาแล้วเขาการว่ามีความผดอะไหรือว่าาาก็ตที่ทให้ไม่สติสตินี่เป็นตัวสำคัญในการที่จะควบคุมกายวาจาใจของเราให้เป็นปกติ ถ้าเราเดินน้อยสติมันก็อย่างยังพ อ, อยี่แต่ถ้าเดิน ม, มากมันก็จะทําให้ไม่มีสติเราก็จะไม่สามารถรักษาสิได้ถ้าเขาคิดว่าเขาเดินแล้วเขาไม่ไปทําอะไรที่เสียหายเม่อเขาเดินเสร็จแล้วเขาก็ขึ้นนอนอย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหาเพียงแต่ว่าเขาก็ติดอยู่กับเวลาะนะั้นติดกับสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์ เวลานี้มันไม่มีคุณประโยชน์แต่อย่างด้ดในทางในทางธรรมัไม่มีประโยชน์ไปอย่าง้นแต่ในทางโลกก็อาจจะช่วยรับปัญหาความปัญหาอสังเกตี่มีในใจ ไ, ไ, ได้ไปไปขณะหนึ่งเช่นเวลาเสร็จิหน่เข้าไปแล้วก็ทำอะไรเรื่องปัญหาต่างๆไปแต่มันไม่ได้ไปแก้ปัญหาทั้งที่อยู่ภายอกเราภายในก็คือใจของเรา เพียงแต่เหมือนกับเรามีขยะแล้วเราก็ปับมันไว้ใต้ไว้ใต้เตียงมันก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาอะไรถ้าถ้าเราไม่ดื่มแล้วเรามีปัญหาเราแก้ด้วยสัญญาด้วยธรรมะนี้จะเป็นประโยชน์กว่าแต่ถ้าถ้าไม่มีถ้าไม่มีสติคือไปเดินสุราแล้วก็ไม่มีทางที่จะ คิดด้วยเห็นด้วยขุได้ก็ไม่จะก็จะไม่สามารถแก้แก้ปัญหาทางใจและปัญหาที่เกิดขึ้นภายนอกได้นี่ถ้าเป็นปัญหาหนระือถ้าไม่เป็นปัญหาแต่ชอบดื่มมันก็เป็นเหมือนกับยาเสพติซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรสุวรานี้เสร็จไปก็อาจจะทาให้มีความรู้สึกสบายแล้วก็นอนหลับไปแท่นั้นเองแต่ไม่มีคุณประโยชน์ อะไรทางด้านจิตใจและทาให้เสียเวลาของของการมาเกิดเป็นมนุษย์ให้ผ่านไปโดยไม่เกิดประโยชน์เพราะทุกเวลานาะทีของการเป็นมนุษย์ น, นี้มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการตําเทนต่อการที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้ไปสู่ที่สูงได้ถ้าเราติดการเสพสเ่อลอยยางเราเราก็ไม่มีทางที่จะปฏิบัติธรรมได้ไม่มีทางที่จะดูดได้ นั้นก็เท่ากับเป็นการตัดมรรคผลวิพาน์ของเราไปโดยอัตโนมัติคนที่ติดสลายยงมาก็เข้าวัดไม่ได้คบวชไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ใ น, นการมาเกิดเป็นมนุษย์ที่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นชาติที่ดีที่สุดในการบำเพ็ญก็จะไม่ได้ใช้ประโยชน์อันนี้ก็จะไม่อยู่เห้นไม่ต่างกับสุนัขเท่นั้นเองหาความสุขกับ รูปสีใหกลิ่นรถปวดทะไปวันวันหนึ่งจนกว่าจะตายไปดั้งก่อมาแล้วม่รู้จักใช้ใช้สถานะภาพาของเราเองให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเช่ น, น, นมีรถยนต์กันหนึ่งแทนที่จะเอาขับไปตามสถานที่ต่างๆที่เราต้องไปกลับจอดทิ้ไงไว้ในบ้านไม่ไม่เอาไปขับไปเดินไปอย่างนี้เหมันก็แสดงว่าเราเราโง่เราไม่ฉลาด ชีวิตของคนมนุษย์นี้เป็นเหมือนพาหนะเป็นเหมนือนรถยนต์ที่จะพาให้เราไปสู่การหลุดพ้นได้อย่างรวดเร็วที่สุดไม่มีพบอื่นชาติอื่นที่จะทําได้เท่ากับการเป็นนี้ย์แต่เมื่อเ ร, เรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราทำไม่ใช้ประโยชน์ของมนุษย์กับปล่อยให้หมดไปกับสิ่งที่ไร้สาระไร้คุณค่ามันก็เป็นความง้อเข่าบางปัญญาของขามั้งเองของขอ ง, ขงคนที่ที่เป็นอย่างนั้น แต่เรื่องนี้นีมันเป็นเรื่องของความเห็นชอบคือเรื่องของทิกฐิความเห็นถ้ามีความเห็นชอบเขาก็จะเห็นโทษถึงสุลาแล้วเขาก็จะเลิกแต่ถ้าเขามีความไม่เห็นชอบเขายังไม่รู้ว่าเขาเกิดมาเพื่ออะไรว่ามันการมาเป็นมาดยของสขานี่มีความหมายอย่างไรก็แสดงว่าเขายังไม่มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเขาก็จะคิดเหมือนกับเหมือนกับสัตว์ทั่วไป มืนกับเดวีวรสานที่คิดจะหาความสุขเฉพาะหน้าเท่านั้นเมื่อเสดสุลาแล้วก็มีความสิขเข้าก็จะติดกับการเสดสุลานะั้นแล้วก็จะอ้างหาเหตุผลต่างๆมาลบล้างการห้ามไม่ให้เขาเสดสุลาเพื่อเขาจะได้เสิทธิต่อไปที่จริงเขาไม่ต้องหาเหตุผลก็ได้เพราะไม่มีการไปห้ามเขาอยู่แล้วมันอยู่ที่ตัวเขาเองเท่านเองเห็นแล้วว่างเวลาเขาไปฟังคําสอนของนักบุญเช่นคํา ส, คสอนของพระพุทธเจ้าแนละ้ว มันไปขัดกับพฤติกรรมของเขเัเขาเขากระทำแล้วเต้องต่อต้านเขาต้องหาเหตุผลเพื่อที่จะลบลา้างคําสอนของพ่อพิจิเจ้าซึ่งลบล้างอยะไรนั้นก็ลบล้างไม่ได้พอาะลบล้างได้แต่เในใจของเขาคือแก้ตัวไปแบบข้างๆคู่คู่างสมัยนี้ก็าเรียกว่าตะแบ ง, <c oughs> ง, งแต่ยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งลบล้างคํา คำสอนของนักส่ามากละลายก็ยิ่งสร้างความโง่เขลาวัญญาณให้กับตัวเองมากขึ้นไปจากนั้นชนะนักป่านันไม่ได้แสดงว่าเราชนะจริงนะแต่ชนะนักป่านี้แสดงว่าเราโงา่เราเราโง่ามากขึ้นคือเราสามารถลบล้างความคาสอนของคนฉลาดได้ด้วยเหตุผลทางทางครูครู ข, ของเราและอย่างนั้นถ้า เ, ววา เ, าเกิดว่าเขาเนอ่ยก็อ้างหรือว่าเขา แย่มาให้ผลบางอย่างซึ่งอาจจะมีการลบดูค่ะที่มีบาปบาปศาสนาคือมันมันบาปตรงที่ว่ามันเป็นการตัดวิถีทางของเขาทางสู่การหมิ่พ้นทางสูงงกงส่การพัฒนาจิตใจของเขาให้ค่อยไปสูงขึ้นให้ดีขึ้นมันจะบาปในลักษณะนั้นแล้วอย่างสมัยนี้หลายคนนะคะที่จะ จะติดแล้วมันไม่ได้ติดค่ะเหมือนกับว่าที่ชอบอ้างว่าไปหือบ้านการสังคมค่ะพี่เขาเข้าสังคมอย่างนี้ค่ะแบบนี้เพราะเขเห็นคุณค่าของสังคมมากกว่าคุณค่าของการหลุนจากความทุกข์เพราะเขาไม่มีเขาเขาคงจะไม่เห็นว่าตายแล้วเขาจะต้องไปเกิดอะไรเขาจะต้องไปเกิดเป็นอะไรต่างๆนี่เขาอาจจะไม่เชื่อ เพราะที่ว่าชีวินนี้ก็ไม่เพียงแค่นี้มาตายแล้วก็จะตายแล้วก็สูงตรงนี้เขาก็จะไม่ค่อยสนใจกับการบำเพ็ <c oughs> การปฏิบัติธรรมเท่าเพราะการปฏิบัติธรรมนี้เป็นการตัดการการหาความสุขทางโลกนั่นเองซึ่งเป็นสิน่งที่ตัดโลกทกตัวที่มาเกิดีนต้องการ <c oughs> ก็คือความสุขทางโลกแล้วเมื่อมาบอกให้เขาตัดแล้วเขาจะไปหาความสุขครับอะไร เขไม่เห็นว่ายังมีความฝุ่ที่เหนือกว่าดีกว่าที่เกิดจากการปฏิบัติการพระธรรมคำทสอนของพระพุทธเจ้าเมืม่อเขาไม่มีความเห็นอย่างนี้แนละ้วเขาก็จะไม่สนใจต่อการที่จะปฏิบัติต่อการลดละอบายมุขลดละความสุ่นทางโลกเขาไม่ต้องพยายามแสวงหาความสุ่นทางโลกด้วยทุกวิถีทางก็ต้องมีการแก้ตัวกันไปตาม า, ท, าที่ได้ฟังเนี่ยดื่มเพื่อสังคมบ้าง ความจริงไม่เพื่อสังคมเพื่อตัวเขาเองแต่ถ้าเขาอ้างว่าเรื่องของเหมือนแต่ว่าป้องกันตัวไปการเจรเมมัอนก็นสมมติเผื่อโดนมอมยาดโดนมอมเล่าโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาอ้างในรูปแบบนี้ขึ้นมาหมายถึงว่าถ้าเขาเสพเล่าแล้วเขาจะไม่ถูกมอมเล่า อะไรอย่างนั้นเราไม่เข้าใจเขาเหมือนกันจะเป็นได้คนที่ถูกมอมเลราเพราะชอบดื่มเหล้าคนยังไม่ชินมเหล้าไม่ได้ตามไม่มองก็ได้ไม่ได้ซ้อมไปแล้วก็อาจจะไม่เป็นไรคือได้รู้ว่าถ้าถ้าเกิดสมุนเกิดขึ้นมาจะได้รู้ว่านี่นะเราโดนลอาเมานะ้เราเองไม่รู้สึกฟังไม่ขึ้นเหมือนกันไม่ได้ไม่สนใจเขาไม่ได้แ ไม่าหคือบางทีก็ต้องยอม้มแล้วว่าเขาเป็นคนที่ไม่อยู่ในวิสัยที่ธรรมะจะช่วยคานะก็ต้องสอนให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาจนกว่าเขาเกิดมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเป็นคุณค่าของธรรมะแล้วเขาเ้าใจแต่ธรรมะเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระไปสอนคนที่ก็ไม่สนใจ ไม่ให้แสดงธรรมต่อผู้ที่ไม่มีความเคารพต่อธรรมแล้วก็ไม่ให้แสดงธรรมต่อผู้ที่ไม่อาราธนาธรรมไม่ขอให้แสดงธรรมเพราะว่ามันเป็นคำรรสอนที่มันไปสวนกระแสกับความรู้สึกนึกคิดของของเขาของคนส่วนใหญ่ทนะี่พูดอย่างนี้นี่แหสอนให้โลไทละให้หยุด ให้เลิกซึ่งเป็นสิ่งที่ก็อยากจะทำให้มากมีให้มาก <c oughs> แล้วกระทัางสมัยนี้คนที่เรียกว่าตัวเองเป็นพุทธบางที <c oughs> ก็ยังไม่ใช่พุทธแท้ <c oughs> ก็ก็ทำบุนเพื่ออยากจะให้ร่ำให้รวยให้มีเงินเยอะๆก็จะได้ใช้อยู่มีเงินใช้มาก แต่พอภาครัศน์อกว่ให้อยากจะมีเงินมากก็ให้ประหยัดประหยัดอย่าใช่มากเ <c oughs> นี่ยมันก็ไปขัดกระทรู้สัยของเขาเขาคิด <c oughs> ว่าเมื่อทํางินแล้วมันด้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนที่เขาจะได้กํับาร้อยเท่าพันเท่าก็คิดอย่างนี้บริษัทเขาท้องเจริญดีขึ้นจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเวลาเปิดบริษัทใหม่ที่น้องนิมนต์ภาคไปฉันเน เเพ่้แต่คือทำอะไรชื่อให้ได้ทำไรนี่มันก็มันก็จำเป็นเพราะเราต้องมีรายได้เพื่อแต่ก็ให้เราหาเพื่อปัจจัยสินะอย่าไปหามันมาเพื่อที่เราจะได้มีเงินเอามาใช้อะไรอย่างสุ่งเฟ้อ มาหาความสุขทางโลกถ้าอย่างนี้เราก็มันก็สวนทางกับทางของพระพุทธเจ้พาพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราสละความสุขทางโลกให้เราหาความสุขทางด้านจิตใจทางด้านความสงบทางด้านการลดละการปล่อยวางซึ่งเป็นความสุขที่ดีที่ประรไม่มีความทุกข์เกี่ยวพน คามสุขทางโลกนี้มันมีความทุกข์เยอะกว่ามีทุกระดับทุกเวลาทุกขณะทุกวันนี้ที่เรามีความสุขนี้มันก็มีความสุขเพียงนิดเดียวแล้วส่วนใหญ่เราก็จะมีแต่ความทุกข์ความกังวลความม่นวายใจแต่ถ้าเรามีความสุขทางด้านจิตใจแล้วเราจะไม่ค่อยม่นวายเท่าไร อะไรจะเกิดอะไรจะอะไรจะเป็นอะไรจะไม่มาสร้างความวิตก้กับเราแต่ถ้าเรามีความสุขกับทางโลกแล้วเราจะวุ่นวายไปหมดเศรษฐกิจขึ้นก็วุ่นวายโลกร้อนก็วุ่นวายปัญหาต่างๆมีสงครามก็วุ่นวายมันวุ่นวายไปหมดเพราะมันมากระทบกับความสุขของเราแต่ถ้าเราไม่เราไม่หาความสุขทางโลกแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันไม่มากระทบกับเราแต่นั้นเพราะความสุขของเราไม่หาได้อยู่ในตัวของเรา โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งอื่นภายนอกนี่เป็นสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นกันหรือไม่ได้สนใจให้ความสําคัญกันเราจรึงไม่มีความสุขแบบนี้นกันเรายังจังต้องหาความสุขแบบเดินเดิอยู่เป็นเหมือนผู้ที่ติดยาติดกิจแล้วก็ต้องก็ต้องเสฟมันไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีความกล้าหาญที่จะเลิกมันได้ยอมทุกทรมาน ทักษะหนะึ่งในขณะที่ต่อสู้กับมันในขณะที่พยายามจะเลิกแต่พอมันหายจากการติดแล้ามันจะสบายกว่าเยอะแต่เราเลิกหาความสุขทั้งโลกได้าเมื่อไหร่ล้วเราจะมีความสุขความสบายแต่ถ้าใ น, ในขณะที่ไม่ต้องต้องเลิกตอนนั้นเนะ่ยมันทรมา คอกิ น, ค อ, นคอยดื่มคอยดูคอยฟังแล้วต้องมาไม่ได้ดูไม่ได้กินไม่ได้ดืมไม่ได้ฟังแล้วมันรู้สึกเหนื่อยทรมานใจแต่มันเป็นชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองแล้วมันจะค่อยๆเบาบางลงไปแล้วก็หมดไปที่สุดแต่เราต้องมีวิธีคือเราต้องต้องภาวนาถ้าไม่ภาวนาแล้วเราจะไม่สามารถที่จะทนได้ <Yeah. S 1> เงินอาจจะทนได้ทั้งสองครั้ง mm. พอทักทักเดี๋ยวก็หมดแรงแล้วเดี๋ยวก็กลับไปทำเหมือนเดิมแต่ถ้าเรามีกิจกรรมทางด้านกิจกรภาวนาแล้วเราจะมีมีความสุขที่มาทดแทนในขณะที่เราต้องปล่อยวางความสุขแบบเดิมๆไปเราก็มีความสุขแบบใหม่ปรากฏขึ้นมาคือความสุขที่เกิดจากความสงบของการภาวนาจากการภาวนาแล้วก็จะทำให้เรามีกาลังใจงที่จะ สร้างมันให้มันเพิ่มมากขึ้นไปนเรื่อยๆแล้วก็จะทำให้เราละสิ่งความสุขแบบเดิมๆได้ได้มากขึ้นไปนเรื่อยๆละวนั้นมันจึงต้องทำทั้งสองอย่างทางโลกก็ต้องละทางธรรมก็ต้องทำควบคู่กันไปมันถึงจะได้มีกำลังพอที่จะดึงให้เราไปในทางธรรมได้ในที่สุดแต่้นขณะที่ทำู่ตอนตอนรแรกนี่มันทรมาร์ดมาก ทุกนเหมือนกับการบง่บงน้ําออกจากเท้าถ้าไม่บวงเดินไปมันก็เจ็บอย่างนั้นแต่ถ้าจะบง่งมันก็เจ็บมันก็ปวดจะทํำยังไงจะเอาเจ็บปวดแบบชั่วเท้าแล้วก็หัวกไปหรือว่าจะทนเจ็บปวดอยู่กาบนามไปเรื่อยๆก็ก็แล้วแต่มีทางเนี่กอยู่สองทางมันต้องเจ็บด้วยกันทั้งทังคู่แต่เจ็บแบบที่แบบที่ บ่งเสียนบ่งน้ำออกไปแล้วมันพอหายเจ็บแล้วมันก็หายไปตลอดมันไม่มีความเจ็บมอนเหลืออยู่เลยถ้าเราเลิกลดลดละอบายมุขลดละความสุขทางโลกได้แล้วเราก็สบายไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องความสุขทางโลกต่อไปไม่ต้องกังวลกับสามีภรรยากับลูกกับหลานกับทรัพย์สมบัติกับอะไรต่าง คือแให้พี่อนนะคะต้องมีแนวทางเดี๋ยวต้องใช้ทีว่าให้สติกันรู้ตลอดเวลาถ้าก็เพียงเพียนแั่เล็กน้อยโอเอย่างอย่างถ้าลูกหน้าโัวิาอะไรอย่างเนี้ย มันเป็นเหมือนสมถภาวนาก็คือเธอจะได้แค่สมาธิแล้วก็ได้แค่ฌานแต่พอเขาไห้ทำอะไรที่อย่างให้มีสติมีระล้วรู้ตลอดเวลาแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างการฝึกขากวาสามารถที่จะเือนกันคือคือคือเขาเขเขาใจไม่จุดคือการมีสติตลอดเวลาก็สาคัญมันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ การมีสตินี้เพื่อที่จะได้มาทำำําสมผัสทอนะเพให้เกิดจิตให้เกิดความสงบจะได้มีความสุขในระดับหนึ่งแล้วพอเราออกจากความสงบนั้นเราก็มาเจริญสติต่อแต่คราวนี้เราจะเจริญสติควบคู่กับปัญญาไปด้วยเวลามีอะไรมาสัมผัสเราก็จะเริญมตาลักไปเจริญพิจรารณาให้เห็นว่าเป็นอริจังทุกหน้าหน้าตา นี่เป็นขั้นวิปัสนาขั้นต้นนี้จะเริ่มแต่สติอย่างเดียวคือให้รู้อยู่ว่ากำลังคิดอะไรกำลังพูดอะไกรกำลังทำอะไรอยู่ทุกขณะให้มีสติรู้อยู่เพื่อที่จะดึงใจให้อยู่ใกล้ๆไม่ให้มันลอยไปทั่วไปหมดเพราะถ้ามันลอยไปไกลเวลามันนั่งทำสมาธิดึงมันเข้ามาสู่ความสงบยากและมันจะไม่สงบแต่ถ้าเราดึงมันไว้ให้อยู่ใกล้ใ ก, ลกับกายวาจาใจอยู่ตลอดเวลาพอถึงเวลานั่งทาสมา สมาธิทำจิตให้สงบมันก็จะสงบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็จะปรากฏผลขึ้นมาทําให้จิตมีพลังมีความสงบมีความสุขมีความอิ่มแล้วนี่ตัวนี้จะเป็นตัวที่สนับสนุนพอเราออกจากความสงบนี้แล้วมันก็จะมันก็จะทําให้เราจิตของเร า, น, านี่ตั้งมั่นมันไม่ลอยไปลอยมาเหมือนเมื่อก่อนเราจะกําหนดให้มันอยู่กับกายกับกับวาจากับใจมันก็จะอยู่มันไม่ไปไหนแล้วเราจะให้มันพิจารณาทำบทได้บทหนึ่ง มันก็จะพิจารณาเช่นให้พิจารณาอาการสามสิบสองของร่างกายพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายของร่างกายอยู่เรื่อยๆมันก็จะพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนกลายเป็นปัญญาขึ้นมาที่เรียกว่าภาวนาเมยะปัญญาคือมันจะมีความรู้ทันอยู่ตลอดเวลาว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงทุกอย่างเกินขึ้นแล้วต้องดับไปพอเกิดความโรคขึ้นมาอยากจะได้แล้วไอความรู้นี้มันจะขึ้นมาประกบ ท, ทันทีมันจะทําให้ไม่อยากไม่อยากได้ทันที อันนี้มันต่างกับความรู้ที่เรารู้กันในขณะนี้เรารู้ว่าเราเกิดแก่เจ็บตายแต่มันไ ม, ไม่รู้ตลอดเวลาพอเวลาเห็นอะไรดีปั๊บไม่อยากจะได้ละอยากจะสร้างบ้านใหม่ขึ้นมาอยากจะมีน่นนี่นี่ขึ้นมาทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วดีไม่ไดีสร้างบ้านไม่ทันเสร็จตายไปก่อน้ามีเพราะว่ามันไม่ได้คิดอย่า ง, อ ย, างอย่างนนอย่างี้อยู่ตลอดเวลามันคิดได้เปนเพียงบางเวลา เวลาที่มาฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมในเวลาสวดมนต์ไหว้พระก็พิจารณายอยู่รอบหนึ่งพอออกจากห้องพระออกจากวัดแล้วก็ไปเลยเห็นอะไรก็ไปเลยมีบริษัทก็อยากจะขยายมันใหญ่โตขึ้นไปอยากให้มันเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆนี่เป็นเพราะว่ามันไม่มีสมาธิแต่ถ้ามันมีสมาธิแล้วทีนี้มันจะไม่ค่อยไปแล้ว่ะมันจะคิดแต่เรื่องนี้อยู่เรื่อยๆตลอดเวลาจนกลายเป็นภาวนามย์ปัญญาขึ้นมาเป็นปัญญาที่อยู่ควบคู่อยู่กับจิตทุกขณะ พอความรู้เปิดขึ้นมาปั๊บมันก็ถูกปัญญาตัวนี้ตัดทันทีดับทันทีไออย่างนี้ก็เรียกนี่ก็เจริญสติเหมือนกันแต่เจริญสติควบคู่กับปัญญาไปคือไม่ไม่ทาบเข้าใจก็ถูกหรือเปล่าเขาเหมือนว่าเขาไม่ต้องนั่งภาวนาแต่เพียงแต่ว่าเขาใช้สตินั่นแหละเขาเข้าใจเขาเข้าใจติดตรงที่เขาคิดว่าทําแค่นั้นแล้วจะทําให้เขาเขาเขาเขาผ่านขั้นตอนไงเพราะเจริญสติแล้วเขาไม่ต้องไปเจริญสมถะภาวนา แล้วเอาเขาจะเข้าเขาจะเข้าวิปัสนาเลยซึ่งมันจะไม่เป็นวิปัสนามันจะเป็นวิปัสสนึกเ <c oughs> พราะมันจะไม่พิจารณาอย่างต่อเนื่องแล้วจิตใจยังไม่มีความสุขจิตใจมันจะรุ่มร้อนคิดไปและ้วบางทีเกิดความโกรธขึ้นมาเโดนมันรู้สึกตัวกับอ <c oughs> อ้อันนั้นก็ถูกแต่นั่นเป็ น, ปนขั้นต้นมันฝึกเพื่อมาให้เราได้ทําจิตให้สงบให้ได้ เมื่อจิตสงบแล้วเราจะได้เจริญปัญญาได้อีกครั้งเป็นปัญญาจริงๆจะจะว่าต้องนั่งหรือไม่นั่งเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ต้องนั่งก็ได้ถ้าสามารถเดินจงกรมน่าทําให้จิตสงบได้อย่างนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ให้คิดอะไรให้ได้ให้จิตนิ่งไม่ให้คิดอะไรให้สงบนิ่งให้ได้ขณะที่เราเ จ, จเริญเจริญสติใหม่ๆนี้จิตเรายังคิดทั่วไปอยู่งแต่เราพยายามดึงมันให้มา มาคิดอยู่ที่ในปัจจุบันอย่าให้มันไปคิดที่เรื่องอื่นเรื่องที่ไม่จําเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญแล้วเมื่อเราสามารถดึงมันข้ามาได้ในระดับหนึ่งเวลาเราจะทําให้มันหยุดเช่นเราเดินไปแล้วเราก็พุโทโธพุโทโธไปมันก็อาจจะรวมลงก็ได้ในขณะที่เราเดินจังคมเป็นสมาธิขึ้นมาก็ได้อย่างที่หลวงปู่หลวงปูช่ชอบที่ท่านชอบเดินเดินทุ่งงตอนคืนท่านก็เดินเพื่อบําเพ็ญของท่านไป ถ้ามีสติอยู่กับตัวงท่านตลอดเวลนาะแล้วพอดีท่านไปเจอเหตุการณ์ที่ทำให้จิตของท่านต้องรวมลงมันก็รวมลงได้ในขนาที่เดินเพราะฉะนั้นการการจะทำจิตให้เป็นสมถะเป็นสมาธินี้ไม่ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ว่าจะต้องนั่งอย่างเดียวนั่งก็ได้ยืนก็ได้หรือบางคนถ้ามีบุญมากนอนก็ได้มันไม่ได้ที่ท่ามันอยู่ที่จิต แต่มันมันมันจะมันจะข้ามข้ามสมาธินี้ไปไม่ได้มันถ้ามันยังไม่ลมลงเป็นหนึ่งเปนเอกตาลมแล้วมันไม่มีทางที่จะเป็นภาวนามยยปัญญาขึ้นมาได้พิจารณาอะไรมันจะไม่ต่อเนื่องมันจะทิ้งงานได้รากแล้วมันจะไปเรื่องอื่นนะเนี่ยมันต่างกันตรงนี้งั้นเขาเขาเอาหนึ่งกสามารวมเป็นจุดเดียวกันจะริญปัญญาแล้วกจะริญสติแล้วก็จะเริญปัญญาเลยโดยที่ไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องผ่านสมถะ เอนี่เป็นก็เป็นความหลงผิดอย่างน<ม>หนึ่งก็หลงตาตอนที่ท่านไปกราบหลวงปู่มั่นวันแรกนี่<ม>หลวงปู่มั่นท่านก็เทศสอนเลยว่าท่านมาหาท่านก็ศึกษามาปัญญาความรู้ทางธรรมะก็มีอยู่เยอะแนละ้วแต่ความรู้เหล่านี้มันไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจของท่านเลยขอให้ท่านสร้างไว้บนพื้นไว้ดูชาก่อน อย่าอย่าเอามาเกี่ยวข้องกับการทำจิตให้สงบอย่าไปคิดถึงความรู้ต่างๆที่เรียนรู้มาก็ อ, อย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรเลยทำจิตให้สงบลูกเดียวก่อนเมื่อจิตสงบแล้วความรู้ต่างๆเหล่านี้มันจะมาเองมันจะมาสนับสนุนในการเจริญปัญญาในขั้นต่อไปเองแต่ตอนนี้มันไม่เกิดประโยชน์เพราะจิตไม่ตั้งมั่นเรายังควบคุมจิตไม่ได้เพออย่างนั้นดีกว่า ควบคุมให้มันเนื่งให้มันสงบให้มันสร้างมั่น ไ, ได้ถ้าเราควบคุมมันได้แล้วเทนี้เราก็จะสามารถใช้ปัญญานี้มาคุมมันได้ในในเวลาที่เราไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาออกมาแล้วจิตมันก็จะต้องไปสัมผัสกับเรื่องต่างๆมันก็จะใช้ปัญญานี้มาเป็นตัวดึงจิตไว้ไม่ให้หลงไม่ให้เตลิดเปิดเปิร์นพูง่าย พอเห็นอะไรแล้วจะได้จะได้ไม่เกิดความโลภเกิดความโกรธทำอย่างนี้ขึ้นมาถ้าที่ได้ยินได้ฟังมาที่เข้าไปปฏิบัติการใหญ่เขาไปจะสอนกันอย่างนี้ว่าไม่ต้องนั่งหลับตา ใ, ให้เจริญสติ ใ, ให้รู้อยู่เท่านั้นรู้ก็รู้ไปเห็นรู้แล้วทําำมันได้หรือเปล่าเวลามันโลภแล้วทำมันได้หรือเปล่าเวลามันโกรธแล้หยุดมันได้หรือเปล่าใช่ไหมที่เคยเจอเขามีความรู้ในักษะอย่างนี้เขาถนัดสามารถ ได้ถ้าก็ทําได้แต่ทําได้หรือเปล่าหยุดความโลภหยุดความโกรธได้หรือเปล่ปยุดความหลงได้สรือเปล่ามต่ยังไม่มี้มันไม่มีพลังที่จะหยุดนั่นเลพลังหยุดนั้นไม่นันไม่เคยหยุดเนะี่ยเมื่อมันไม่เคยหยุดจิตแล้วจะไปหยุดกิเลสได้ไงเพราะจิตมาสายกิเลสมาสายจิตเป็นตัวทํางานถ้าเราต้องการหยุดกิเลสเราก็ต้องหยุดจิต เพราะจิตนี่เป็นเหมือนรถแล้วกิเลสเป็นเหมือนผู้โดยสารถ้าเราไม่อยากให้กิเลสไปไหนแล้วก็แล้วก็หยุดรถหยุดรถแล้วกิเลสมันก็ไปไหนไม่ได้หยุดจิตแล้วกิเล <|hi|> สมันก็ไปไม่ได้พอเราไม่คิดก็อย่างแล้วกิเลสมันก็โลบไม่ได้กดไม่ได้โกไม่ได้ที่เวลาเราโกรธใครปั๊บแล้วเราหยุดคิดถึงคุเรื่องนั้นปั๊บความโกรธมันก็หายไปแต่เราหยุดไม่ได้พอเราโกรธแล้วโอยมันยิ่งคิดใหญ่เลยคิดเรื่องที่ทําให้เราโกรธ มันก็ยิ่งโกรธใหญ่ถ้ามี้มันจะโกรธน้อยลงมันก็โกรธมากขึ้นแต่ถ้าเรารู้จักแล้วเคยฝึกทําจิตให้สงบแล้วพอเรารู้ว่าให้รถกำลังจะวิ่งตกเหว่าเบรคใช่ไหมเดี๋ยวเนี้มันกำลังโกรธนี่ก็เหมือนกับวิ่งตกเหวละกาลัาแงแหกโค้งละก็หยุดเสียหยุดจิตเสียหยุดไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธพอหยุดปั๊บมันก็หายไปความโกรธก็หายไปความโล้ก็หายไป ถ้าหยุดไม่เป็นล่าจะหยุดได้ยังไงถ้าเหยุดเองไม่มันหยุดได้แค่ชั่วคราวเป็นนาดมื่อเราคิดว่าเออันทเาอเองว่าอ้ไม่ทแบบนี้ก็ที่เรหยุดได้ช่วคราวไม่หยุดเกิดที่ที่เราม่สุดคือบางอาจจะหยุดขขยได้บางครั้งบางท่าในขณะที่นึกได้แต่ถ้าในในขณะที่นึกไม่ได้มันก็มัน ก, มนก็มันก็หยุดไม่ได้ หรืยอาจะหยุดได้แต่ก็หยุดไม่ได้แบบถาวรอหยุดได้ครึ่๊กเดียวแล้วก็ไปเลยเหมือนกับไฟแต่ถ้ามีสมาธินี่มันหยุดได้ถาวบลถ้ามันเห็นโทษของความโกรธว่ามันเป็นเหมือนไฟเผาตัวเองถ้าอยากจะเผาตัวเองบ้าง <c oughs> เพื่อจะหยุดโกรธทันที <c oughs> เพราะจิตที่มีความสงบนี่มันเย็นนะต่างกับจิตที่ไม่มีความสงบ แล้วจิตที่ไม่มีควาสมสงบนี่เวลาโกรธจะไม่รู้ว่ามันร้อนเพราะมันร้อนอยู่แล้วมันก็จะไม่ไม่เห็นไม่เห็นความสําคัญเลยที่ต้องอยู่ความโกรธนั่นแต่จิตที่มีความเย็นแล้วเนี่ยพอมีความโกรธความร้อนปรากฏขึ้นมาเพียงนิดเดียวก็อยากจะกําจัดมันทันทีมันต่างกัน ปัญญามันมีถึงสองระดับสามระดับไงคือปัญญาที่ได้ยินได้ฟังแต่ที่เราได้ยินได้ฟังนี้เป็นเพียงปัญญาที่ยังเรายังต้องออกไปพันพฒนาต่อก็คือการไปเจริญสติแล้วพิจารณาแต่พิจารณาอย่างนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะหยุดหยุดมันได้หยุดความโลภหยุดความโกรธได้เพราะเรายังไม่มีปัญญาระดับที่สามคือพอนามัยปัญญาปัญญาที่เกิดตามหลังจากที่จิตเราสงบแล้ว ถ้จิตเราสงบแล้วเที่นี้เราเราคิดจรณาเรื่องอะไรเห็นว่ามันไม่ดีเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยเราจะหยุดมันได้ทันทีจะตัดมันได้ทันทีพอเราคิดอยู่ตลอดเวลาเราพิจารณาอยู่ตลอดเวลากิเลสมันก็ทํา ง, งานตลอดเวลา mm. เมื่อมันปรากฏขึ้นมาตอนไหน mm. ก็จะมีปัญญาคอยประกบคอยตัดคอยคอยทําลายมันตลอดเวลาพร้อมๆกันไปแต่ถ้ามันอยู่ในขั้น จิตตะไมยะปัญญานี่มันไม่ได้คิดตลอดเวลาคิดบ้างไม่คิดบ้างเพราะมันจิตมันจะลอยไปลอยมามันไม่มีสมาธิอมันอยากจะคิดเรื่องอะไรมันก็ไปละพิจารณาร่างกายเกิดแก่เจ็บตายได้นับหนึ่งเนี่ยมันก็ไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องงานเรื่องการเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ละต่างกันกับจิตที่มีสมาธิแล้วถ้ามันคิดเป็นเรื่องเกิดแก่เจ็บตายมันก็จะคิดเกิดแก่เจ็บตายแต่ไปคิดเรื่องคนอื่นแล้วมันก็เกิดแก่เจ็บตายกับเรื่องคนอื่น มันมีเรื่องเกิดแต่เจะตายตามไปด้วยอยู่กับทุกเรื่องอะ่ะมันจะตามไอยู่ทุกเรื่องอะจะเห็นเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นอะ่ะถึงจะเป็นโสดามัน mm hmm. เป็นการเกิดการดับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ยึดไม่กิด mm hmm. กับสิ่งที่ที่ดับนั้นอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะดับก็ดับไม่เสีย อ, อกไม่เสียใจไม่ร้องโหมร้องไห้ไม่เจ mm hmm. ้าสงเสียใจยไม่ทุกข์ เน้นบางทีคนเราไม่เข้าใจเรื่องปัญญาเนี่ยมีสาระดับบางคนฟังเทศฟังธรรมแล้วคิดว่าโอ้ยบรรลุแนละ้วสบายแล้วมักฝนนิพพานนี้เข้าใจหมดและ้ะแต่แล้วกลับไปกินเหล้าเหมือนเดิมไปเที่ยวเหมือนเดิมไปอะไรเหมือนเดิมหมดอันนี้มันก็มันก็ปัญญาระดับกินเอเขาเรียกปัญญาระดับสุตตไมายาปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังฉลาดแล้วรู้แล้วก็ไม่จําเป็นที่ต้องเบ็ด ทำอะไรต่อไปใครทำอะไรอยู่ก็ทำต่อไปเหมือนเดิมแต่เวลาคุยทํามานี่คุยได้โอ้ยทะลุตัวโปรงหมดแต่เวลาบอกให้เริมเราก็ว่าอ้างสังคม อ, าอ้างนี่มันไม่มีก <c oughs> ระจายไหอะไ่เงี้ย ไม่ยังก็ไม่ต้องมาบวชกันให้เหนื่อยยาก <c oughs> มีสามีมีมครอบครัวอยู่กันอย่างนั้นแล้วก็บรรลุพันิุพันไปทั้งหมด <c oughs> พระพุทธเจ้าไม่ต้องเสด็จจากวางให้มันเลนย่บเพื่อนเขาศึกษาเ็าเต็มไปดุกมากคือเคร่งนน่น ก็็ขงนอก็่งาล้มาของงา้งคือเ ข, า, ข, า, ขาอยู่ในระดับขั้นนี้ก็ขั้นต่อยก็กระสอบตายนีก็ง่าย กระสอบใจที่เราต่อยมันยังไงมันก็ไม่ต่อยครับนะเขาต่อยมันลูปเดียวนะม่นเหมือนกับตอนที่ไปขึ้นเวทีเวทีนี้มันไม่ใช่กระสอบใจนะมีคู่ต่อสู้เนี่ยคนที่เขาปฏิบัติธรรมแบบอย่างสุขอย่างสบายทั้งทําปฏิบัติธรรมอยู่ในห้องแอร์กินข้าวสามมืออย่างเงี้ยถ้าเป็นเหมือนพวกที่ต่อยกระสอบใจเขาไม่เอาตัวของเขาลงไปสู่สนามกิน สถานจริงมันต้องอดบ้างอดอย่าขาดแคลนมันต้องต่อสู้กับความทุกข์ยากลำบาก ท, ทุกชนิดที่จะต้องมีเกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นแล้วเราเร า, เราจะไปเราจะไปผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้อย่างไรใจผ่านมันได้สิ่งเหล่านี้มันจะไม่เป็นอุปสรรคมันจะไม่เป็นตัณหากับใจถ้าเราเอาใจเราเข้าไปไปไปไปต่อสู้กับมัน ไ ป, ไปศึกษาหาวิธีที่ทําอย่างไรที่ทขาให้ใจของเราผ่านไปได้โดยไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ไม่กังวลกันเลยแต่เราไม่กล้ากันเรากลัวกันเราก็เลยคิดว่าไม่จําเป็นบางคนที่เขาอยู่ในเมืองก็ไม่จําเป็นต้องไปอยู่ป่าทําทําในในเมืองให้เป็นป่าก็ได้ทำใจเราให้เป็นป่าก็ได้มันจะทําได้จริงหรือเปล่านะ ทำไมันไม่ก็พิสูจน์ดูให้มันให้มันหายสงสัยไปเลยป่ามันก็ไม่เห็นมีอะไรที่ทํามันต้องรังเกียจนะแต่ถ้าก็ปฏิบัติจริงๆที่บ้านเนี่ยสมมตินะถ้าก็ปฏิบัติจริงๆเช้วันนึ่งก็จะเห็นว่ามันไม่พอที่บ้านเนี่ยมันไม่พอมันเหมือนกับปลูกต้นไม้ในกระถาง เมื่อมันต้นไม้มันโตเต็มที่แล้วกระถางนี้มันไม่มีดินเหลือให้ให้ต้นไม้เจริญนะมันก็รู้ว่าต้องเอาเอาเอาเอ า, เอาต้นไม้นี้ลงดินถ้าปฏิบัติทําจริงๆแล้วมันจะถึงจุดหนึ่งเห็นว่าสภาพในบ้านนี้มันไม่อพอเพียงต่อทำที่ตันเองต้องการเพราะมันมีอย่างอื่นที่ยังท้าทายตนเองอยู่เป็นความกลัวความความทุกข์ยากลาบากลำบุญต่างๆมันยังไม่ได้เจอของจริง มันยังไม่มั่นใจมันยังไม่แน่ใจมันยังต้องทดลองให้ได้ต้องเจอของจริงให้ได้ก่อนที่หนาราชกปฏิบัติที่ห้องแถวอออย่างนั้นนี่ยมันไปของมันเองขอให้ปฏิบัติเถอเริ่มไันอีู่้องหลหนก็ได้ไม่ว่ากันนะเป็นปฏิบัติที่บ้านปฏิบัติที่ไหนก็ได้แต่ถ้ามันปฏิบัติจริงแล้วมันก้าวหน้าจริงมันได้ผลจริงแล้วรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เรมันก็ต้องไปอยู่ป่ากันได้ ภาพนังรูปมาอยู่ป่าที่นี่ยังไม่พอใจว่ายังมันไม่ป่ามันยังไม่ป่ากรง <c oughs> มีองค์งพวกออกพรรษาอะไร่าขอไปอยู่ทางลำปางน่เนี่ยมั น, มนความความจะเป็นของจิตมันจะบอกของผู้ปฏิบัติเองว่ามันมันต้องการอะไร เช่ยันพระพุทธเจ้าก็ตัดสต น, นุในในวางเ ล, ลววกเาก็้ท่านสัตวในวงนด้พวกเราก็สบายกันหมดไม่ค่อยพรุงนี้ไม่ค่อยดูศาสดาทันเท่าไรไม่ดูพุทธทางสอนังกระชามีว่าท่านปฏิบัติอย่างไรเขาบอกวิธีกาทำสอนท่านไปทั้งายกิยก็เลยครัสอนแต่ไม่ดูไม่ดูวิธีปฏิบัติของท่าน เราไม่มีวาสนารชาติน like ี้ก่อนมาไม่เคยทื้งเลยู่วันกลางคืนก็เสือใหญ่นะออยากน้คะก็มีแต่อวนอาหารอาหารเนมนี่ตัดชิ้นไม่เคยที่แบบว่าอยู่ในครางเรียนหมดนี่นี่เราเดี๋ยวพวกไม่อยากเนมก็จะพยายามถามไปทุกวงเลยไม่ไม่จำเป็นนะถ้าไม่ตกกระดิ่กับเราก็ไม่ต้องเนม หลวงตาแท้ก็ไม่เมงนะหลวงตาแท้บอกไม่ไม่ไม่ถึงกริกาั์ท่านไม่เมงไมงได้ไม่เมงตได้ก็ไม่เม่ไม่ได้ก็นเปต่ดก็ไม่เตด้ก็ไเมงแต่ไดกงต่ดกเปง่ไดงค็ไมเงต่ไมด้เมงแก็ไ่เมงแต่่ไ็เงแต้ก็ไเศงที่พมะได้กเจด้าทมไมงตไม้ว่าจะชต่ไยได้กับค่บางคน่าได้กงชนิด ผลจะดิั้งแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันบางคนก็ถูกกับการในบางคนก็ถูกกับการอดอาหารมันน่าแตะอุบายของแต่ละคนกลัวเสียใจแล้วถ้ามีก็จะเร็วขึ้นถ้าได้ก็เร็วขึ้นถ้าถูกเจดิกกันเราแล้วทําแล้วได้ประโยชน์ได้ผลนั่นก็จะเหลวขึ้นเหมือนกับรถยนต์นัที่ใช้น้านํามันพิเศษ รถบางชนิดก็ใช้ได้รถบางชนิดใช้แล้วเครื่องพังก็มีได้ก็ดูตัวเราว่าเรามันถูกกับก <c oughs> ับเนรุษได้ถูกกับมีข้ออ้างตลอดพ อ, อ, <c oughs> อดีโชคดีมีมีข้ออ้างได้ถามนี่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไาแล้วอาหารเด็นก็บอกกินทานยาค่ะคือบางทีต้องเลือกเอาระหว่างธรรมะกับชีวิตเนี่ยจะเอาอย่างไรถ้าเรามากังวลกับเรื่องชีวิตมากบางทีมันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมตอนนั้นบางทีเราก็ต้องเลือกว่าจะเอาเะไจะเอาธรรมะหรือจะเอาชีวิต เอาชีวิตนี้มันก็มีได้ไม่กี่ปีมันก็จบแต่เอาธรรมะนี่มันได้ไปตลอดเลยไม่ไม่มีที่สิ้นสุนเนนดเลยอนันตการตลอดไปเพราะฉะนั้นคนเจรจาต้องเลือกเอาธรรมะบางคนไม่รักทำงานไม่ได้นะะคนเดียวเลืกปธน คือคนที่ทำงานขึ้นปีทำงานไหญ่ใหญ่เลยค่นบางตนมางตนถ้าจะทำเงาแล้วเนีไม่ใช่ธรรมะแล้วทำเงาทำเ พอสมควรจเวลานะได <c oughs> ้กอนนะ <c oughs> <c oughs>